u d d h a m m a r a n a gacchā. u d d h a m s ā r a g a c c h d h a m r a gacchā. d h a m m a m ā r a g a c c h d h a m m a m ā r a Gat a Samham Sharanam. Gat sa, Sangham Sharanam. Gat sa, Sangham Sharanam. Gat a สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อจากนี้ไป <ทำ S 1> จะเป็นการบรรยายธรรมเรื่องรัตนสูตรทำการบรรยายโดยท่านพระอาจารย์ประสมทบประกะโมวัดกลางอำเภอบางปรมาจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัตรนี้ครับ ใจในการฟังวัธรรมกันอย่างต่อเนื่องนเะพื่อเป็นการอบรมบ่มอัธยาศัยในวันนี้นำในขุทกานิกายสุตติบาตในรัตนสูตรซึ่งว่าด้วยความสวัสดีด้วยพระรัตใจหรือพระไตรรัตน์ในนะในสูตรนี้เป็นสูตรค่อนข้างยาวมากแต่เราจะได้ยินพระท่านสาธยายกันค่อนข้าง บ่อยในสูตรเนี้ยที่บอกว่าเวลาทำบุญบ้านก็ดีเนียหรือว่าทำบุญโดยทั่วๆไปก็จะขึ้นว่ายานีทภูตานิสมาคาตานิพุมมานิวายานิวอันตริคสัพเพวะภูตาสุมนาพวันตุอโถปีสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตาสมาหิภูตานิสินาถะ นิสาเมทะสัพเพเมตังรโรธามนุสิยาปชาญะทิวาจราโตยหรันติเยภรินตสมาหิเนราคธาอภมาตามเป็นต้นฉะนั้นในสูตรนี้ค่อนข้างจะเป็นสูตรยาวเนี่ยก็จะกล่าวไปตามลำดับก็จบเมื่อไหรก็เมื่อนั้นในคำแปลเขาบอกว่า พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและขอจงฟังภามศิต์โดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงว่าเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์อันนี้เบื้องต้นขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเออเมื่อขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาจากคาว่า ถ้าเริ่มต้นคาถาเนี่ที่บอกว่ายานีทภ ah ูตานิสมาคาตานิภูมมานิวายานิวะอันตริคีสัเพวภูตาสุมาณาพวันตุอทโผีสักกัจยาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานินิสาเมทสัเพเมตังกะโรธมนุสยาปัญยะแปลดังที่ได้กล่าวว่า พูดเราใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภูมิเทวดาเราใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีพอพูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและขอจงฟังภาสิตรโดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมและขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์นี่เป็นเพียงคถาเริ่มต้นนะที่ยกขึ้นเริ่มซึ่ง ถึงตอนต่อไปก็จะยกคาถามาประกอบเป็นไปนตามลําดับในเรื่องตรงนี้นะเวลาเราดูจากพุทธพจน์แล้วก็ต้องไปดูอธิคถาท่านขยายในพระสูตรเนี้ยมีเหตุเกิดขึ้นอย่างไรก็บอกว่าในอดีตการเนี่ยนะอุปัตถวะทั้งหลายอ่ะมีทุกภิกภัยเป็นต้นเนี่ยนะทุกภิกภัยวาตัยโจรภัยเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้ภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองเวสาลีเจ้าฤชษีได้เสด็จไปยังนครราชเกลือแล้วก็ทูลขอนำพระผู้มีพระภาคเจ้ามายังแฝนสาลีเป็นต้นเมืองสาลีรีเป็นต้ น, น, ตนที่ตรงนี้จะเล่ารายละเอียดตามอัตถกถาที่ท่านเล่าเขาไว้ที่ท่านเล่าเขาไว้นะคือสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยยังทรงมีพระชนอยู่ ในเมืองเวสาลีเนี่ยได้เกิดทุกพิขภัยคือภัยที่เกิดจากพิษาอาหารหาได้ยากอันนี้เขาเรียกทุกทุพพิฆภัยคือในยุคนั้นน่ข้าวปาอาหารหาได้ยากมากชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนทั่วถึงกันทีนี้พวกเจ้าฤาษีเนี่ยก็เสด็จไปกรุงราชครึก็ทูลนรัฐนาให้พระพุทธเจ้านั้นมาที่เมืองเวสาลี เพื่ออะไรเพื่อจะให้นําภัยเหล่านั้นให้สงบลงเนี่ยนะซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จมายัางเมืองเวสาลีตามคําทูลรัตนาของพวกเจ้าฤาวีแล้วก็ได้ตรัสรัตนาสูตรนี้อันเป็นเหตุให้ภัยเหล่านั้นสงบลงนี่เป็นเหตุให้เกิดรัตนาสูตรโดยย่อเนะแต่ทว่าโดยพิสดารแล้วโราณาจารย์ได้พรรณนาถึงประสูนย์นี้เริ่มตั้งแต่ประวัติของเมืองสาลีหรือการสร้างเมืองสาลีเป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะนำมาเล่าถ้าเราไปกันที่อินเดียเนี่ยเราก็จะไปที่แฟนวัชีหรือเมืองเวสาลีเนี่ยเนี่ยถามว่าเมืองเนี่ยประวัติความเป็นมาอย่างไรนี่ต้องนึกหน่อยนะถ้าไปไปมาแล้วเนี่ยถ้าแฟนวนเมืองเวสาลีแฟรนวัชีเนี่ยแฟนวัชีเนี่ยเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะไปเสด็จดับขันทวดีนิพพาน แม้ว่าทีเนี่ยเพราะในภาษาสุดท้ายนั้นพระพุทธเจ้าจำํำภาษาที่บ้านเวรวคามอันนั้นแหละอยู่ในเมืองเวสาลีหรือภัยาลีอันเดียวกันเดี๋ยวเขาจะไปแปลว่าไอเวสาลีภลัยาลีแปลว่าอะไรเป็นต้นที่ประวัติความเป็นมาของเมืองเนี้ยก็มีเรื่องเล่าว่าพระคราเมเหสีของพระเจ้าพระนาสีทรงพระครันพระราชาก็ทรงทราบ ก็พระราชทานการบริหารพระคันเมื่อถึงคราวที่จะประสูตรก็เสด็จไปที่เรือนเพื่อจะประสูตรที่ธรรมดานะั้นหญิงที่มีบุญเนี่ยย่อมคลอดบุตรในเวลาใกล้ลรุ่งเขาว่างั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนมีบุญเนี่ยเกิดเน่ยเกิดใกล้ลรุ่งเขาว่างั้นอันนี้มันตามตำนานเขาว่าเนี่ยแต่ไม่ใช่จะเท็จจริงเสมอเกิดเวลาะไรเนี่ยเรื่ เอออันนี้ก็มีบุญเหมือนกันเนี่ยหนึ่งก็ภาคคามาเหสีซึ่งเป็นหญิงผู้มีบุญองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นในเวลาใกล้รุ่งจึงประสูติชิ้นเนื้อออกมาชิ้นหนึ่งแทนที่จะประสูติพระราชโอรสออกมาแต่กลายเป็นชิ้นเนื้อเป็นมีสีแดงน่ะเหมือนคลั่งสดไอ้คั่งสดก็เหมือนกระดอกชบาสีแดงแดงเนี้กลายเป็นก้อนเนื้อเนื้อออกมาเลยเป็นสีแดงแดงพันนางก็มาดัมลว่า ความเสื quantity, ่อมพระเกียรติของตนเองเนี่ยจะบังเกิดขึ้นเฉพาะพระพักของพระราชาบอกโอ้โหถ้าเราประสูติหรือเราคลอดชิ้นเนื้อออกมาลักษณะอย่างเนี้ยความวิบัติจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะเหตุแห่งการประสูติชิ้นเนื้อนี้ในเมื่อพระเทวีเหล่าอื่นประสูติพระโอรสใช่ไหมที่งดงามราวกับแท่งทองเนี่ยด้วยเหตุที่ทรงกลัวต่อราชอาญาเนี่ยเนี่ยกลัวจะเสื่อเสื่อมพระเกียรติ จึงทรงใส่ชิ้นเนื้อนั้นในภาชนะใบหนึ่งก็เลยเอาชิ้นเนื้อใส่ลงในภาชนะปิดครอบด้วยภาชนะอีกใบหนึ่งแล้วก็ทับตาพระราชนเจก่อนตาประทับประทับไว้เลยจะได้ไม่ให้อีกคนเปิดคล้ายๆว่าเอาฝาอะไปิดไว้ประทับตาแล้วก็รับสั่งให้เอาไปลอยในแม่น้าคงคา ตั้งแต่ภาชนะนั้นถูกทิ้งลงในแม่น้ำคงคาทีนี้ร้อนไปถึงพวกเทวดาแล้วก็อารักษ์ก็พากันมาอารักษขาคนมีบุญเนี่ยเนะเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจ้างคนดูแลนะแต่เทวดาก็ก็ร้อนหลนอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติเออเราท่านทั้งหลายอย่าอย่าคิดนะว่าเราจะไม่มีเทวดาดูแล บางครั้งเนี่ยเราก็รอดพ้นปลอดภัยในสิ่งที่ไม่น่าจะรอดพ้นมาได้หลายต่อหลายครั้งฉังนั้นส่วนหนึ่งมาจากว่ามีอรารักษ์มีเทวดาทั้งหลายมาอรารักขาอย่างเนี้มันเป็นบุญของแต่ละบุคคลนันอันนี้ก็บุญของใครก็บุญของใครว่าใครทาบุญมาดีแค่ไหนอย่างไร ก, ก็ไปตรวจสอบและเขียนแผ่นทองคำด้วยชาร์จผูกติดไว้บนภาชนะนั้นว่า นี้เป็นสิ่งที่เกิดจากอัคครมเหสีของพระเจ้าพรราศีเขียนทิ้งไว้เทวดามนุษย์ไม่เขียนเทนวดาเขียนให้ภาชนะนั้นก็ลอยไปตามกระแสน้ำโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆในสมัยนั้นก็มีดาบอดหยุดตนหนึ่งอาศัยตระกูลของนายโคบานคำว่านายโคบานเนี่ยมาจากคำว่าโคปาล่าโคก็คือโคแล้วเนี่ยปาล่าแปลว่ารักษานายโคบานก็แปลว่าคนรักษาโค คนรักษาโคจะพูดตามภาษาบ้านเราก็เรียกคนเลี้ยงโคโคนเลี้ยงโคมอีอาชีพกระทำะเกเษตรกรรมทางด้านนี้เนี่ยทั้งด้านปศุสัตว์อยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเช้าตู่วันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ก็ลงอาบน้ำเห็นภาชนะนั้นลอยมาก็ได้เก็บเอาไว้ด้วยสำคัญว่าเป็นของบางสกุล ดาบดเนี่ยก็ใช้ของที่มันเขาทิ้งเขาอะไรเนี่ย อ, อของนี่มันไปมันมีกล่องมีอะไรต่างๆแล้วก็เก็บไว้นึกว่าของที่เขาทิ้งแล้วก็ได้เห็นอักขระที่เทวดาเขียนไว้พร้อมทั้งตาพระราชพระราชลันจกรเนี่ยเนี่ยจึงแก้ออกดูก็เห็นชิ้นเนื้อแล้วก็ทราบว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นของที่อยู่ในคันเพราะเนื้อเช่นนั้นย่อมไม่เน่าและไม่มีกลิ่น เอ้ชิ้นเนื้อเนี่ยไม่ได้เน่านะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยต่อมาก็นําชิ้นเนื้อเนี่ยไปสู่อาสมแล้วก็วางไว้ในที่สะอาดทีนี้เวลาเวลาล่วงเลยไปเนี่ยครึ่งเดือนสิบห้าวันเนี่ยนะชิ้นเนื้อนั้นก็แยกออกมาเป็นสองชิ้นจากชิ้นเดียวเนี่ยเริ่มขยายออกเป็นสองชิ้นดาบทเห็นแล้วก็ดูแลให้ดีกว่าเดิมนะนะหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันคือครึ่งเดือน ชิ้นเนื้อนั้นก็เกิดปุ่มขึ้นมาห้าปุ่มสองชิ้นนี่นะชิ้นละห้าปุ่มชิ้นละห้าปุ่มเพื่อประโยชน์แกอะไรล่ะสองมือสองเท้าสองศรีรษะหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าตามศัพ์ภาษาบริีก็รปัญจัสาขาถ้ามองจากตรงนี้เห็นได้ว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันหลุดมาก่อนกำหนดหลุดมาก่อนกาหนดแต่ด้วยการที่มีบุญเน่ยมาเจริญเติบโตข้างนอก อันนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมถ้าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นวัฒนาการจากเด็กหลอดแก้วแต่อันนี้ที่แรกเป็นชิ้นเนื้อ ก, กลมๆเนี่ยหลุดออกมาเลยเป็นสีแดงๆ เ, เนี่ยเหมือนดอกชาบานี่อพอสิบห้าวันผ่านไปแยกออกเป็นสองก้อนก็อีกสิบห้าวันแยกออกเป็นก้อนละห้าปุ่มเพื่อประโยชน์แก่การเป็นมือสองเท้าสองและศีษาหนึ่งดา บ, บทก็ยิ่งทวีความดูแลเอาใจใส่ ย, ยิ่งมาก ต่อมาอีกสิบห้าวันชิ้นเนื้อชิ้นนี้ก็เป็นทารกอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทาริกาทั้งทารกและทาริกางามราวกับแท่งทองงามเลยไหมโอ้โหถ้าได้ได้บุตรอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยเนะยเชื่อไหมหลายคนถ้าได้อย่างนี้เอามาเลี้ยงใหญ่เลยอยากจะได้บ้าง <c oughs> ก่อนก่อน <c oughs> ทุกข่องตัเนี่ยคือก้อนทุกเลยทะนั้นก็ดาบทก็เกิดความรักในทารกทั้งสอง ราวกับว่าเป็นบุตรของตนด้วยอำนาจแห่งบุญของทารกนะ้ะทีนี้ไม่มีน้ํำนมใช่ไหมแต่ด้วยความรักเนี่ยด้วยความสเสน่หาเนี่ยเออดาบดเนี่ยให้โดดหัวแม่มือก็อยู่ได้เอาหัวแม่มือให้โดดหัวแม่มือดาบดเนี่ยเนีะเออมีน้ํานมไหลออกมาตั้งแต่นั้นมาเมื่อใดที่ดาบดให้อาหารและน้ํานมมาก็บริโภค เฉพาะอาหารนั้นส่วนน้ำนมนั้นก็ให้ทารกทั้งสองดื่มแต่ว่าสิ่งใดๆที่เข้าไปในท้องของทารกทั้งสองสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมปรากฏให้เห็นได้รลวกับว่าวางอยู่ในภาชนะแก้วมันีเชนั้นเพราะเด็กทั้งสองเป็นผู้ไม่มีผิวหนังจึงได้ชื่อว่าฤทธิ์ชวีชก็แปลว่าฤิ์ชวีเนี่ยแปลได้สองอย่าง อีกนายหนึ่งแปลว่าไม่มีผิวหนังก็ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าทั้งสองแนบชิดติดกันเหมือนกับการเย็บติดกันกัาไว้มาแต่ก่อนดาบทก็เลี้ยงดูเด็กทั้งคู่ด้วยความรักและเอาใจใส่เป็นเหตุให้ไปบินทบาทสายดาบดเนี่ย เ, ยเป็นเป็นดาบดมาเลี้ยงเด็กทีนี้พวกส ก, กุลของนายโคบานผู้เป็นอุปถากทราบเรื่องนี้เข้าก็ถามว่า ออทําไมท่านยึงมาสายดาบดก็บอกว่าเลี้ยงเด็กนี่ท่านเขาก็เลยกล่าวบอกว่าการเลี้ยงเด็กเป็นความกังวลของนักบวชท่านจงให้เด็กแก่พวกผมพวกผมจะเลี้ยงดูเองขอท่านจงกระทําสมพรธรรมเถิดนายกลุ่มตระกูลของนายโคบานก็รับอาสาดาบดก็ยินยอมพวกนายโคบานก็ทํา ทางให้ราบเรียบสม่ำเสมอในวันที่สองทั้งสองได้โปรยดอกไม้ตามรายทางแล้วก็ยกธงชัยและธงเป่าตักพากันไปยังอาสมพร้อมกับประโคมดนตรีไปด้วยเพื่อไปรับเด็กดาบดก็รับสั่งว่าเด็กทั้งสองเป็นผู้มีบุญขอให้พวกท่านจงเลี้ยงให้ดีนะแล้วเอาใจใส่เมื่อเด็กโตแล้วจงให้แต่งงานกันเออถ้าเด็กเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้จับแต่งงานกันเ น, นแล้วทำให้พระราชาพอพระไทยด้วยการถวายปัญจโครถแล้วจงถือเอาภูมิภาคพากันสร้างเมืองเถิดก็หมายความว่าเนี่ยดาบดก็คงจะดูตำลาได้ในยุค ก, ก่อนเนี่ยก็บอกว่าเด็กสองท่านเนี่ยมีบุญนะถ้าท่านเลี้ยงไปแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นมาแล้วเนี่ยให้แต่งงานกันเนแล้วจงเอา อเกี่ยวกับที่ผลิตภัณฑ์ที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโคกเกี่ยวกับไปโรงงานเกี่ยวกับเรื่องโรงงานวัวโรงงานโคเนี่ยเนี่ยที่เกี่ยวกับปัญจโครถเนี่ยที่ผลิตน้ํานมโคอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อได้ผลผลิตมากๆแล้วเอาไปถวายพระราชาเมื่อถวายพระราชาเสร็จเสร็จก็บอกว่าขอขอสร้างเมืองพระราชายเมืองนั้น จะขอสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วก็จะให้พระให้ให้สองท่านนี้ขึ้นเป็นพระเจ้าเป็นดินในทํานองอย่างนั้นแล้วถือเอาภูมิภาคสร้างเมืองแล้วอาพิเศษกุมารนี่ไว้ในเมืองนั้นดาบดสั่งนายโคบาลทั้งหลายดังนี้แล้วก็มอบเด็กทั้งสองให้ไปทีนี้พวกนายโคบาลรับเด็กทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเจริญวัยเติบโตแล้วเนี่ยเล่นกับพวกลูกของนายโคบาลอื่นๆ ที่นีในเวลาที่ทะเลาะ ก, กันกระทบตีลูกของนายโคบาลเหล่านั้นด้วยมือบ้างเตะด้วยเท้าบ้างเด็กพวกลูกของนายโคบาลอื่นๆก็ร้องไห้ข้านมานดาบิดาถามถึงเหตุที่ร้องไห้ก็บอกว่าเด็กทั้งสองคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่ดาบดเลี้ยงไว้นั้นทุบตีต่อยเตะพวกตนทีนี้พวกพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นก็คิดว่าเด็กสองคนนี้เบียดเบียนเด็กของเราให้ได้รับความทุกข์ เราจึงไม่ควรส่งข้อเด็กทั้งสองนั้นพึงเว้นการส่งข้อเสียคำว่าเว้นการส่งข้อเนี่ยมาจากสับเรียวัชชะด้วยเหตุนั้นตั้งแต่นั้นมาดินแดนหนึ่งนั้นจึงชื่อว่าวัชีนะแฟนวัชีหรือเมืองเวสารีเนี่ยนะที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยนะไลีเป็นเมืองหลวงเนี่ยมีอณาบริเวณกว้างร้อยยอดต่อมาพวกนายโคบาลได้ทำให้พระราชาพอพระไทย แล้วถือพื้นที่แห่งหนึ่งสร้างพระนครขึ้นแล้วอภิเศษเด็กชายอายุสิบปีนั้นให้เป็นพระราชาเด็กหญิงนั้นเป็นพระมเหสีแล้วก็ตั้งกติกากันว่าพวกเราไม่ควรนําเอาเด็กหญิงภายนอกมาแต่งงานนะก็หมายความว่าในตระกูลภายนอกไม่ควรนํามาแต่งงานและไม่พึงให้เด็กหญิงภายในเมืองนี้แก่ใครใครคือเมื่อสร้างเมืองกันขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็จะรักษาวงของตนเองคือไม่ให้มีการไปแต่งงานนอกนอกเมืองอื่นหรือเอาคนเมืองอื่นมาแต่งงานฉั้นชายในเมืองนี้ก็แต่ไม่นําเอาหญิงอื่นที่อยู่ในนอกเมืองนี้มาเป็นภรรยาและก็ไม่ยกหญิงในเมืองนี้ให้เป็นภรรยาของคนต่างเมืองแต่ให้หญิงชายในเมืองนี้แต่งงานกับคนเมืองเดียวกันนี้เป็นกติกาที่ตั้งไว้เมื่อเวลาสร้างเมืองเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ การอยู่ร่วมกันของพระราชาและพระราชินีทั้งสองนั้นทำให้เกิดบุตรฝาแฝดเป็นหญิงหนึ่งและชายหนึ่งครั้งละสองคนเนี่ยถึงสิบหกครั้งนี่มีลูกมากจริงนะอย่าแปลกใจนะถ้าคนยุค ก, ก่อนๆมีไอ้มีมีลูกมากคือคนอายุกเกินร้อยอะ่ะนหะฉะนั้นการที่เขาจะมีลูกเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่แปลก แต่ถ้าคนยุคนี้อายุน้อยใช่ไหมบางบางพบเนี่ยบางยุคบางสมัยเนี่ยของกลับเนี่ยอายุเป็นหมื่นปีนะค น, นแต่มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยอายุมันน้อยขนาดน้อยขนาดนี้ยังประมาเนี่ยใช่ต่อจากนั้นคนเหล่านั้นก็ได้ขยายเมืองให้กว้างขวางเป็นระดับเพื่อให้ทันต่อความเจริญเติบโตของเด็กๆทาให้เป็น สวนบ้างเป็นที่อยู่บ้างแล้วก็สร้างกำแพงถึงสามชั้นล้อมรอบแต่ละชั้นก็ห่างกันประมาณสาคาวุฒสามร้อยเส้นเนี่ยคาวุธหนึ่งก็ร้อยเส้นสามคาวุธก็สามร้อยเส้นเพราะเหตุที่บ้านเมืองขยายกว้างขวางไปเรื่อยๆเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเมืองเวสาลีหรือภัยาลีนั้นคําว่าภัยาลีเนี่ยแปลวกว้างขวางนะ ม, มีอยู่จังหวัดหนึ่งมีอำเภออำเภอหนึ่งก็เรียกอำเภอเลยอำเภอภัยาลี นี่ก็แปลว่ากว้างขวางในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นเมือง น, นี้เป็นเมืองที่มั่งคัง่งไปบุญไปด้วยพระราชาเออมีพระราชาเยอะราชตระ ก, ก, กูลน่ยเยอะเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์เลยเศนาบดีขุนคลังเป็นต้นก็มีจํานวนเท่ากันนะจีวอนในจีวอนขันธากาศในมหาวัคก็กล่าวเขาไว้บอกว่าในสมัยนั้นเมืองเวสาลีเป็นเมืองมั่งคัง่งแล้วก็กว้างขวางมีคนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลน่น มีภิกษาหาได้ง่ายมีปร า, าสาทถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังนะเรือนยอดก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังสวนเจ็ดร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดแห่งมีสาวบกครรณีก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดแห่งคือเขาใช้ใช้เลิกเลขเจ็ดขึ้นหน้าเหมือนในยกของพระเจ้ามหาสุทัศนาอันนั้นก็แปดหมื่นสี่พันปราสาทก็แปดหมืนสี่พันปราสาท เตียงบรนทมก็มีแปดหมื่นสี่พันเตียงสำรับอาหารแต่ละมือม้อนี่นะแปดหมื่นสี่พันสำรับนางสนมก็แปดหมื่นสี่พันนางคือแบบนี้ทท้งนั้นแหละอันนั้นเขาวัดว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่านทำได้เวลาใกล้จะตายพระมเหสีก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านพระมหาสุทัศนะท่านจะด่วนสวรรคคตเลยเพราะว่า มีเมืองแปดห0ื่นสี่พันเมืองเนี่ยนะที่ท่านจะต้องปกครองดูแลแล้วมีปราสาทแปดหมื่นสี่พันยอดเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็มีราชวังแปดหมืนสี่พันราชพลังเนี่ยนะเนอะคืออะไรก็มีแบบแ4ดห0ืนสี่พันทั้งนั้นเยอะแยะขนาดเนี้อย่าด่วนนิพพานเลยให้มีใจชันทะมีความยินดีมีความพอใจในทรัพย์สมบัติในสิ่งของในบุญผลบุญของท่านนี้เถอะพระเจ้ามหาสุทัศนะก็บอกกับ พระเหสีบอกว่าพระเมหศีการพูดเช่นนี้ไม่ฉลาดเลยบอกว่าเพราะคนที่จะตายด้วยจิตที่อาลัยอาวร์นั่นแน่ตายแล้วจะเป็นทุกข์ต้องบอกว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะอย่าได้ทรงห่วงหาอาลัยอาวร์เลยแล้วก็ว่ายาทรงห่วงหาอาวรณ์อาหารแปดหมื่นสำรับกองทัพแปดหมื่นสี่พันกองเป็นต้นเหล่านี้อย่าไปทวงหาอาลัยอาวรณ์เลย แล้วก็บอกว่าอันนี้จาวัตสังคาลาเป็นต้นอะไรนี่แล้วเข้าชาต์ตายไปเกิดเป็นพรหมในชาติก่อนหน้า<ม>ที่จะมาเกิดเป็นพุทธเจ้าหาชาติเพื่งนี้อันนี้เหมือนกันในเมืองเวสารีนี่ใช้เลขเจ็ดพันเจ็ดร้อเจ็ดไม่ว่าจะเป็นสะไม่ว่าจะเป็นสวนไม่ว่าจะเป็นปราสาทเรือนยอดก็จะมีจํานวนเท่านั้นทีนี้ต่อมาเนี่ยนะ ก็เกิดผลแรงข้าวกล้าก็เสียหายพลิกษาก็หาได้ยากครั้งแรกคนจนตายก่อนนะถ้าเกิดอุทกภัยวารตะไพเนี่ยทุกภิกภัยอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ต้องตายก่อนคือคนจนอันนี้เป็นของปกติอยู่แล้วเหมือนทุกวันเนี่ยนะถ้าเกิดภัยร้ายแรงอย่างเงี้ยคนที่แย่มากที่สุดก็คือคนจนนั้นถ้าใครจนจนก็ ถ้าจะตายก็ตายก็นคนทั้งหลายทิ้งซากศพของคนจนเหล่านั้นไว้นอกเมืองเพราะกลิ่นศพคนที่ตายแล้วทีนี้พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็เข้าเมืองอมนุษย์ดีพือพวกพวกไอ้ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยตั้งแต่นั้นมาคนก็ตายมากขึ้นความเป็นปฏิกูลก็มากขึ้นอาหิวาตากโลกก็เกิดขึ้น เมื่อเมืองเวสาลีถูกภัยสามประการ น, นะภัยอะไรบ้างทุกพิฆาภัยภัยเพราะข้าวยากหมางแพงเมอประเทศไทยเคยเจอไหมทุกพิกาภัยภัยเพราะข้าวยากหมางแพงก็ เ, เจอมาแล้วภัยแบบเคยขัดสนอมนุษย์ภัยภัยจากอามนุษย์ฉะนั้นถ้าอามนุษย์นี่นะเขาเกิดกโกรธขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหสารพัดแหละแผ่นดินไหวบ้างน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างสารพัดแหละ นี่เขาเรียกอามนุษย์เนี่ยมันโกรธใช่หหรือทำให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาแล้วก็โรค ภ, าภายัยคือภัยที่เกิดจากโรคนี่เืาเรียกภัยสามประการเนี่ยเบียดเบีย น, ยนชาวเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีในยุค น, นั้นอย่างมหานาลเอเยปะเภทที่ขนาดคนมากๆนี่ลอยหลอเลยว่างั้นเอตายกันเกลื่อนเมืองเลยแล้วก็จึงพากันไปทูลพระราชา ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าภัยสามประการได้เกิดขึ้นแล้วในพระนครก็ภัยสมัยก่อนนับย้อนหลังไปเจ็ดชั่วราชตระกูลเนี่ยนะภัยใหญ่เห็นปานนี้ไม่เคยมีบอกนับไปถึงเจ็ดชั่วเนี่ยอายุคนมาเนี่ยไม่มีไม่เคยมีภัยอย่างนี้เออเหมือนภัยแผ่นดินไหวเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่เคยมีมือนกันนะที่หนังๆเนี่ยนะเออมามีขึ้นอย่างนี้เนะี่ย อันนี้นับไปเจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยถ้าสืบดูประวัติเนี่ยก็ไม่เคยมีไม่เคยมีแรงแบบนี้แต่ที่ภัยเหล่านี้เกิดขึ้นในครั้งนี้คงจะเป็นเพราะพระองค์ไม่ไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมของไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาจึงตรัสให้ประชุมชนทั้งปวงที่สันฐานคาร น, น่ยนะตรัสว่าขอพวกท่านจงตรวจดูว่าเราไม่ตั้งอยู่ในธรรมะข้อใดพราไง พระราชาก็เกิดความสงสัยนะว่าเออถ้าหากว่าไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมเนี่ยว่าต่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้อหน่อยชนทั้งหลายพิจารณาแล้วก็ไม่พบความบกพร่องอันใดของพระราชาจึงพากันคิดว่าทําอย่างไรภัยนี้จึงจะสงบลงได้บางคนก็เสนอให้ไปเชิญครูทั้งหกมีใครบ้างอ่โปรณกัสปมะมัคริโคสาละอชิตาเกตกัมพลสัญชัยเวรัพุบุตรปฐุก ปะกุทากัจ ย, ยนะแล้วก็สัญชัยอาจารย์สัญชัยเป็นต้นทั้งหกเนี่ยนะบอกเออให้ไปเชิญมาว่ากันแล้วภัยก็จะสงบเพียงแต่ครูทั้งหกกล่าวก้าวเข้าเมืองเวสาลีจา น, นั้นแต่บางพวกก็เสนอว่าได้ยินเมาว่าพระสามาสมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วพระองค์ทรงสแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแกสัตว์ทั้งหลายทั้งวง พระ อ, องค์มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากหากว่าพระ อ, องค์เสด็จมาเมืองเวสาลีภัยทั้งปวงจักสงบลงคนทั้งหลายฟังกันแล้วก็พากันพอพอใจกล่าวว่าพระพุทธเจ้าขณะนี้ประทับอยู่ที่ไหนหากพวกเราส่งสารไปกราบทูลพระ อ, องค์จะเสด็จมาหรื อ, ร, อรำดับนั้นคนพวกหนึ่งก็กล่าวว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้เอ็นดูต่อสัตว์โลก เพราะเหตุไรพระองค์จึงจะไม่เสด็จมาแล้วก็ขณะ น, นี้พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์ในสมัยนั้นใครเป็นพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถัมภ์พระองค์อยู่งนั้นบางทีพระเจ้าพิมพิสารจะไม่ทรงยินยอมให้เสด็จมาก็ได้ ก, ก, ก็ถกเถียงกันนะนคนเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงทำให้พระราชาพิมพิสารทรงยินยอม บอกอุบายในการที่จะทําให้ยินยอมเนี่ยได้ทําไมไม่ได้เออคนเราเนี่ยนะสมมุติถ้าจะไปทําอะไรเนี่ยมันต้องรู้ว่าใจของคนที่เราจะไปหาเนี่ยเขาคิดอะไรใช่ไหมแล้วเขาทรงพอใจอะไระเมื่อรู้ว่าเขาพอใจอะไรเราก็นําทําในสิ่งที่คนคนนั้นเขาพอใจวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการเนี่ยนะนี่เป็นไปลักษณะอย่างนั้น นักเจราจาการค้าเขาก็เป็นแบบนี้นะถ้าเขารู้ว่าเขาจะเจราจาความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอออะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่างๆเหล่าเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนว่าคนที่นั่งร่วมโตเจราจาพระเจ้าฤาษีพระเจ้าจากเมืองเวสาลีแล้วภัาลีเนี่ยพระราชาเนี่ยก็เริ่มมองมองมาที่พระเจ้าเพียพิสาร บอกเอ๊ะท้าพระเจ้าพิมพิสารไม่ยินยอมเนี่ยเออเราก็ทําให้พระราชาพิมพิสารทรงยินยอมแล้วจึงนำพระผู้มญพระย่าเสด็จมาเถอดพวกเจ้าลิชชวีได้มอบเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเห็นไหมเออไม่ใช่มาเพื่อมาพะมาทูลเชิญพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าประทับที่เมืองราชครึซึ่งเป็นเมืองของรพระยาพิมพิสาร แต่เจ้าฤาษีเนี่ยส่งเครื่องราชบรรณาการมาเลยทีนี้พร้อมด้วยพล น, นิกายหมู่ใหญ่ส่งไปยังสำนักของพระราชาพิมพิสารด้วยพระดํารัตว่าพวกท่านจงทําให้พระเจ้าพิมพิสารทรงยินยอมน่ะแล้วนําเสด็จพระพภาคเจ้ามาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปแล้วถวายเครื่องบรรณาการแก่พระราชาแล้วก็กราบทูลชี้แจงเรื่องราวให้ทรงทราบพร้อมทั้งทูลขออนุญาต นำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังเมืองเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารไม่ทรงรับแต่ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงไปทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเองเถิด <c oughs> จริงนะเนะยพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากให้ไปทำไมถึงไม่อยากให้ไปพระพุทธเจ้าพิมพิสารเนี่ยเออเราไปที่กรุงราชครึ้ พอขึ้นไปบนภูเขาพิชกูลแล้วลงมาเนี่ยเราเห็นคุกที่เขาคุมขังพระยาบิมพิสารไหมเขาชี้ให้ดูไหมฉะนั้นเรือนจำที่พระเจ้าอาชาตสตรูทำเป็นเรือนจำคุมขังพระบีราชบิดามตนเองที่ตรงนั้นเนพระเจ้าพิมพิสารยังสั่งขอร้องให้ลูกชายพระเจ้ า, าชาสตรูเนี่ยคุมขังไม่ว่าแต่ขอให้เจาะ เป็นช่องหน้าต่างให้มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าบนเขาคิศกูดฉะนั้นพระเจ้าเพ็ญวิสาเนี่ยมีความรักมีความอาลัยอาวรณ์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็น ล, นล้นพ้นคือรักแบบจับจิตจับใจรักแบบเมตตารัากแบบผูกพันเนี่ยถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองไหนเนี่ยความปลอดภัยก็สูงใช่ไหมจ๊ะความอบอุ่นก็มากไม่ต้องอะไรหรอก เราท่านทั้งหลาย เ, ยเนี่ยเอาแค่ว่าตอนสมัยมีพ่อมีแม่อยู่กัสมัยที่พ่อแม่ไม่อยูย่แค่นี้ความอบอุ่นมันก็หายไปดังเยอะแล้วทีนี้เราลองมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความอบอุ่นจะขนาดไหนฉะนั้นคนที่เขาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้บัณฑิตอยู่ใกล้ท่านผู้รู้อยู่ใกล้พ่อแม่ต่างๆเป็นต้นเนี่ยเขามีความสุขเพราะถ้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยในทางด้านความคิด เขาปรึกษาได้เราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยจะคิดอะไรได้ทุกเรื่องนะ่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเข้าใจอะไรทุกเรื่องทะลุทะลวงหมดใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าพิมพิสารเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองราชคกลืเนี่ยนะถ้าติดขัดปัญหาใดๆเนี่ยนะก็สะเสด็จเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามได้ทุกๆเรื่องแล้วเมื่อถามแล้วก็จะได้รับความพอใจออกมาทุกครั้งไอ้ตรงเนี้ยความผูกพันก็เยอะความรักก็มา ก็เลยบอกว่าให้ไปทูลพระพุทธเจ้าออกชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าถวายบังคมกราบทูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภัยาประการเนะก็มีทุกภิกษภัยอมนุสภัยโรคภัยเป็นต้นได้เกิดขึ้นแก่เมืองเวสาลีของพวกข้าพระเจ้าเนี่ยนะถ้าพระองค์จักเสด็จไปซ้ายความสวัสดีจักมีแก่พวกข้าพระองค์บงั้นบอกว่าถ้าพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเสด็จไปแล้ว ความสวัสดีก็จะเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงระลึกแล้วจึงทรงรับนี่จริงในในที่หนึ่ง เ, เขาขยายความบอกว่าพุทธเจ้าบอกให้ไปถามพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมตอนนั้นก็บอกพระเจ้าพิมพิสารให้มาอภราตนาเนเดียรอนน้องอย่างนี้คือให้เกียรตินั่นเองแต่ในที่นี้บอกว่าพุทธเจ้าก็ระลึกแล้วก็รับที่รับเนี่ยเพราะว่าอะไร ก็มองเห็นว่าถ้าพระผู้มีพภาคเจ้าไปที่เวสาลีพระพุทธเจ้าจะไปแสดงรัตนสูตรสูตรที่ว่าด้วยพระไตรรักษ์เนี่ยพระรัตนไตรเนี่ยขจัดภัยพยานตรายได้ในเมืองเวสาลีแล้วอารักษขาจะแผ่ไปตลอดแสนโกดจักรวาลคือบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปแสดงสูตรนี้แล้วให้สาวกของพระพุทธเจ้า เอาสูตรนี้มาแสดงเนี่ยนะความสวัสดีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะในมนุษย์โลกเท่านั้นแต่จะแผ่ขยายไปจนถึงแสนโกดจั ก, กรวาลดันะ้นแหมสูตรนี้นะ่าจะเอามาขยายกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะใช่ไหมใชตั้งใจสาธยายกันจริงๆอ น, นะเพราะในยุค ก, ก่อนเนี่ยก็ทําได้ผลนะแต่ต้องมีศีลนะต้องคนมีศีลสาธยายนะ ถ้าทูตสินไปสาทยายก็ไม่เอาเรื่องกันนี่นี่จะไปแผ่ไปตลอดแสนกฎจักรวานและในว่าเวลาจบพระสูตรเนี่ยการตัดสรุรรมการตัดสรุธรรมจากกันมีเกษศรรร 8, 000, 000. ัตดิ์แปดหมื่นสี่พันขันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพระราธนาแล้วจึงตรัสสั่งให้ประกาศไปทั่วพระนครว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการเสด็จไปเมืองเวสาลีแล้ว แล้วได้เข้าไปฝ้อพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระองค์ทรงรอจนกว่าข้าพระองค์จะตระเตรียมผลนทางเสร็จให้เรียบร้อยก่อนพระเจ้าวิมิสารก็ทวงเวลาแล้วเนะจริงจริงก็คืออยากจะถวายพระเจ้าก็คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะไปเนี่ยก็จะทำทางให้ประเปติวตัดถนนให้เลย ตัดหนราบเรียบเลยว่างั้นเถอะเตรียมหมนทางให้เรียบร้อยแล้วจึงค่อยเสด็จไปเถิดพระเจ้าค่ะครั้นแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็กระทำพื้นที่ประมาณห้าโยชน์คือจากที่พระเจ้าประทับแล้วก็จะไปที่ริมฝั่งแม่น้นําเนี่ยนะแล้วก็จะไปติดต่อกับเมืองเวสาลีเนี่ยประมาณห้าโยชน์ในระหว่างเมืองราชเจคือและแม่น้ําคงคาให้ราบเรียบแล้วก็สร้างวิหารรายทางทุกระยะหนึ่งโยชน์ หนึ่งยอดก็สร้างวิหารไว้หนึ่งยอดก็สร้างวัดไว้อะสิบหกกิโลเมตรสร้างหนึ่งวัดสิบหกกิโลเมตรสร้างหนึ่งวัดในระยะหนทางห้ายอดก็มีทั้งหมดห้าวัดนี่ต้องห้าวัดนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเขารู้ว่าพระไปเดือจาริกไปที่ไหนเขาสร้างวัดให้สร้างวัดให้นเนี่ยเนี่ยอันนี้พระราชาทําเองอะเนี่ยได้อยู่แล้วคั้นเสร็จแล้วก็กราบทูนให้พระพ้ทรภาพเจ้าทรงทราบ พระผู้เมียภาคเจ้าพร้อมโดยภิกษุสงฆ์ประมาณห้าร้อยรูปก็เสด็จไปถือว่าเป็นกองทัพธรรมยางใหญ่เลยนะอันนี้ห้าร้อยรูปเนี่ยนะพระราชาก็ตัดสั่งให้เกลียดอกไม้ห้าสีตลอดทางห้ายศสูงแค่เข่าบูชาได้ดอกไม้ท่านเหล่านั้นได้บุญกันหมดแล้วนี่นะนั้นดอกไม้ที่มันมีอยู่ในโลกนี้เราก็รีบเอาไปบูชาพระเจ้าเยอะๆจะปล่อยทิ้งเอาไว้แห้งไหม แห้งหมดแหละนั้นถ้ามีเียว่าไปบูชาซะวันหนึ่งวันหนึ่งบูชาเยอะๆใครบอกว่าเป็นนามิสบูชาไม่ได้ผลนะไม่ทําำตามพระธรรมคําสอนมันมีผลมีอานิสงส์มันดีก็ปล่อยทิ้งแห้งไปแหมบามงคนเนี่ยขนาดคนธรรมดาเขาเนยอุตส่าห์บรรจงซื้อดอกไมก้แพงๆให้กันได้ใช่ไหมย๊ะบางทีเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันเนี่ยนะถึงเทศกาลอะไรต่งตางๆหซื้อดอกไมก้แพงๆให้กันได้ อันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถวายไปครับทำแบบไหนบูชาแล้วมีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นถ้าบูชาเนี่เขาจะทําลักษณะอย่างว่าเอาไปปลูกนะได้เช่นไปปลูก ใ, ใกล้ๆสถานที่แล้วก็คอยรดน้ําคอยอะไรต่างอันนี้ได้แต่ไม่ใช่อยู่ในสวนเราก็นึกเอาอะไรเงี้ยมันมักง่ายเหลือเกินเนี่นึกมักง่ายเหลือเกินความเพียร น, น้อยอย่างนั้นความเพียรน้อ ไม่รู้ไม่รู้บูชาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ทงแผ่นผ้าเนี่ยถ้าหากไปที่พระธาตุบางทีเขาก็ทําทงกอาผาทงไปบูชาตั้งหม้อน้ําที่เต็มไว้แล้วทรงให้กั้นเวชฉัดสองชั้นเพื่อพระภู้มีพระเจ้าและให้กั้นเวจฉาดชั้นเดียวสาหรับภิกษุสงฆ์แต่ละรูปพระก็มีมีล่มให้พระราชาก็ท่งกระทา อยู่ซึ่งการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารของพระองค์แต่เราบอกว่าพระยาพิมิสานี่เป็นพระเป็นพระโสดาบันใช่ไหมวาใช่พระยาพิมิสานยังทำการบูชาขนาดนี้ใช่ไหมมาในยุคหลังเนี่ยคนเราชอบโจมตีอามิสบูชาโจมตีอามิสบูชาไม่รู้หรอกว่าเป็นการโจมตีคำสอนของพระอริยะท่านเขาบูชาเนี่ยถูกต้องแล้วแลวควรจะบูชา อันนี้เป็นบูชาบุคคลที่คนบูชาพร้อมด้วยวิหารของพระองค์ทรงนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารแต่ละแห่งแต่ละแห่งทุกๆแห่งนะแล้วทรงถวายมหาทานจากนั้นจึงทรงนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาโดยใช้ระยะเวลาห้าวันพระราชามาอำนวยความสะดวกในการจาริกของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เองนะ นําเสด็จเลยว่างั้นเถอะพระราชาก็ประทับบนเรือด้วยเครื่องเออขอไปพระราชาเนะ่ยประดับเรือไม่ใช่ประทับคือทําเรือเป็นที่ประทับให้พุทธเจ้าประดับเรือด้วยเครื่องประดับทุกอย่างที่ฝั่งแม่น้ําคงคานั้นแล้วก็ส่งพระราชสารไปเมืองเวสาลีว่าพระผู้มีพระาคเจ้าเสด็จมาแล้วขอพวกท่านจงเตรียมทางและทําการรับเสด็จเถิด คือเขียนจดหมายด้วยแล้วก็มีคนไปด้วยกับพระเจ้าทําเรืออย่างดีเลยว่างั้นเถอะทีนี้ฝ่ายพระเจ้าฤฉษีก็ตาหลีว่าพวกเราจะทําการบูชาให้เป็นสองเท่าบอกโอ้ขนาดพระราชายังบูชาพระเจ้าขนาดนี้นะพวกเราก็จะไม่ให้น้อยหนะ้าเอ้ในยุค ก, ก่อนเขาจะทำกันอย่างนี้นะที่เขาทํากันอย่างนี้เขารู้คําสอนนะอย่างเช่นว่า เมื่อวานเนี่ยก็ไปคุมศอบเพากลับมาจากจังหวัดก็แวะคุยคุมศอบที่โรงเรียนสุนสุมาพระท่านก็เล่าไปฟังว่าก็ถามเออก็ถินได้เท่าไหร่ก็ถามถามเล่นๆไหมก็เล่าไปฟังบอกว่าวัดพยาคารามว่าังคือปีนี้ทอดกระถินได้สิบเอ็ดล้านทีนี้ก็ทีนี้เอาการณีลักษณะอย่างเนี้ยสมมุตินะ แต่จริงกระถินมันเรื่องของผ้าแต่ทุกวันในพัฒนาเป็นเรื่องของเงินซึ่งมันไม่ถูกที่มันถูกมันเกี่ยวกับผ้าอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแต่บริวารกระถิ่นมันมากไม่เอาเงินมาเกี่ยวค้องก็ยุง่งทีนี้แต่เราวัดก็ก็เลยคิดกันว่าสมมติวัดนี้ได้แสนหนึ่งวัดนี้ผมไม่ได้แล้ววัดนั้นได้แสนเดี๋ยวเราจะต้องหายได้สองแสนอย่าง <c oughs> นี้ อันนี้เขาเรียกว่าแข่งดีไอการแข่งดีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเนะไอแข่งกันทําบุญเนี่ยแข่งกันแข่งดีที่เป็นบุญก็ได้แข่งดีที่เป็นบาปก็ได้ถ้าแข่งดีที่เป็นบาปเช่นเฮ้ยวัดนั้นได้หนึ่งแสนไม่ได้เราต้องหาให้ได้ก็มักวัดนั้นเดี๋ยวถ้างั้นเราเสียนะอันนี้เขาเรียกแข่งดีที่เป็นบาปถ้าแข่งดีที่เป็นบุญนั่นบอกว่า ญาติโยมมาปราลบ ก, กันเองนะเออวัดนั้นนะ่ะเขาทําบุญไปหนึ่งแสนพวกเราถ้าหากว่าทํารวมกันเบีดเสร็จมันได้แค่แสนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถตัดมัชชริยาของเราได้หรอกอย่างพวกเราเนี่ยมันต้องทําให้ได้สองแสนสามแสนมันถึงจะขจัดความตนหนีความเหนียวแน่นในจิตใจของเราได้ถ้าดําริหรือคิดอย่างนี้อันนี้ก็แข่งดีที่เป็นบุญนี่นี่เขาแข่งกันเนี่ยนะ ว่าพระเจ้าพิมพิสารบูชาพระเจ้าระดับเนี้ยพระเจ้าฤาษีบอกจะทําให้ให้สองเท่าไอ้อย่างนี้คนในยุคนั้นเขาเข้าใจว่าไอ้แข่งดีที่เป็นบุญเนี่ยเป็นยังไงไอ้แข่งดีที่เป็นบุญเนี่ยเป็นยังไงนี่แข่งดีที่เป็นบุญเป็นยังไงทีนี้แล้วก็ทรงกระทําพื้นที่ประมาณสามยอดและในระหว่างเมืองเวสาลีกับแม่น้ํำคงคาให้ราบเรียบแล้วก็บอกว่า ตรเตรียมโซเอชัดสี่ชั้นเพื่อพระผู้มีภาคเจ้าและสองชั้นเพื่อพระพิสุสงฆ์ให้สังเกตดูนะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำสองชั้นเขาให้กับพระเจ้าใช่ไหมทำหนึ่งชั้นให้กับพระโซเอชัดแต่เจ้าฤทิชวีทำสี่ชั้นถวายพระเจ้าสองชั้นถวายพระสงฆ์แต่ละโลก เมื่อจะกระทำการสการาบูชาก็ประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงให้สร้างเรือขนาดขนาดกะทำมนดบเนี่ยประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นให้ปูพุทธาฏ ด, ด้วยรัตนะทั้งปวงบนเรือลานั้นโอ้โหปูที่นั่งของพระเจ้าให้พระผูอือภาคเจ้าประทับบนพุทธาฏนั้นภิกษุห้าร้อยรูป ขึ้นเรือแล้วก็นั่งที่สมควรพระราชาพิมพิสารเมื่อส่งเสด็จพระพุทธภาคเจ้านั้นก็เสด็จลงไปประทับคืออย่างนี้เดินเดินจับเรือส่งนะแล้วก็ดันเรือลอยไปเรื่อยเรือยเรือใหญ่มากนะขนาดพระห้าร้อยลูกนั่งได้เนี่ยถือว่าใหญ่ระดับยังใหญ่เลยแล้วก็ พระเจ้าพิมิสารก็เดินตามเรือไปเรื่อยเดินเดินเดินไปเรื่อยจากน้ำแค่เข่านี่นะแล้วก็มาแค่เสายเอวแค่อกเป็นต้นเนี่ยไปจนถึงแค่คอเนี่ยพอแค่คอแบบเสร็จจะจมแล้วเนี่ยก็ชูยกมือขึ้นศีสศากแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์มูเ้เจริญน่ข้าพระองค์มาส่งบรผู้มีพระเกีเจ้าแค่เนี้ย ถ้าหากยังเดินไปได้ก็จะเดินนินเดินไปไม่ได้คือรักพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าเมื่อพระผู้เมียภาคเจ้าไปเมืองแค ว, ว้นวชีทากิจไรเบ็ดเสร็จแล้วก็ราธนาให้กลับข้าพระองค์ก็จะรอที่ริมฝั่งนี่แหละแม่น้าคงคานี่แหละอันนี้ถือว่ารักจริงไหม น, นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะเฝ้าคอยตรงนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะคอยอยู่ที่ฝั่งแม่น้นํานี้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับพระเจ้าข้าแม้ถ้าเรานึกถึงบรรยากาศในขนาดนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนคงจะทั้งเสียดายทั้งอะไรเนี่ยนะขนาดนั้นเลยเราก็มามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปสวดมนต์ไหว้พระเวลาเราไปไหว้พระธาตุอะไรต่างเวลาเราจะจากว่าพุทธเจ้าเนี่ยเรารู้สึกเสียดมเสียดายงหรือบอกโอ้รีบจะกลับเลย นี่เขาวัดใจตรงเนี้ยว่าใจเราเริ่มผูกพันกับพระเจ้ามาเอาไปเที่ยวงานพืชส่วนโลกกับการไปเที่ยวไหวพาา้พระธาตุอันไหนรุนแรงกว่กัน <c oughs> เหรียญเขาพูดวันก่อนไปที่ไปที่ โ, โงรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาบอกว่าอ <c oughs> าจารย์ถามไหมไปไปเที่ยวงานพืชส่วนโลกหรือไมตามไหมอาอทาไมมาจวนพ่อเขาก็บอกว่า ลวมๆกันแล้วก็ออกข่ารถึ้นก็นมไม่ไปด้วยอ๋อเป็นงินครั้งนั้นนะนะพวกเทวดาทั้งหลายในเบื้องบนจนถึงอาคนิธพรมได้ทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้พวกนาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ภายใต้แม่น้าคงคาก็กระทำการบูชาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปในแม่น้ำคงคาสิ้นระยะหนึ่งยด จึงเข้าเขตเมืองเวสารีก็ได้รับการบูชาอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้ทีนี้จากนั้นเนะ่ยพระเจ้าเจ้าฤาวีเมื่อทําการบูชาเป็นสองเท่าที่พระเจ้าพิมพิสารกระทาแล้วจึงเสด็จไปต้อนรับพระผู้มีภาคเจ้าในน้ําลึกแค่ภระสอเหมือนกันคือว่าคนที่คอยต้อนรับก็เหมือนกันนี่เห็นพระเจ้าพิมพิสารทําอย่า ง, ง น, นั้นตัวเองก็ทําด้วยใช่ไหมที่จริงเนี่ยการต้อนรับเนี่ยปกติอะ ถ้าสมมติเรานั่งเรือไปนี่นะมีคนคอยต้อนรับเราที่ฝั่งมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มีคนลุยน้ําลงไปเปรออยู่แค่คอเนี่ยคอยืนประนมมือต้อนรับเงี้ยคนมาก็าปลื้มใจกันเัยนะเหตุท <th> ี่พระพุทธเจ้าได้ฐานะเช่นนี้เป็นบุญที่พระเจ้าเคยทํามาทั้งนั้นเราก็อย่าแปลกใจนะถ้าไปที่ไหนไม่ค่อยมีใครต้อนรับอย่าแปลกใจบุญมันน้อย บางทีขนาดโทรนัดแล้วยังไม่มารับตามนัดอี่ตรงนี้อน่าเจ็บใจจริงๆนะนัดกันอย่างดีแล้วไหนะว่าตรงนั้นตรงนี้พอไปถึงเครียดเลยต้องโทรหากันให้วุ่นเเคยเป็นบ่อยไปแบบนี้อันนั้นนะบ่งบอกอะไรบุญน้อยแสดงว่าไม่เคยต้อนรับใครบ้างเลงั้นการจะได้ฐานะนี้ต้องไปต้อนรับคนมีบุญเขาต้องให้อาสนะให้ที่นั่งให้อะไรต่างๆเหล่ า, านี้ก็ว่าไปอันนี้เป็นบุญของ ฉะนั้นอย่างพระเนี่ยเห็นเกียรติไหมว่าถ้าพระเถเรมาท่านลุกเรื่ดีเลยปูอาสนะให้อะไรให้เนี่ยนี่ท่านทําบุญของท่านนะเนี่ยแล้วเมื่อท่านทําอย่างนี้ท่านก็ได้ฐานะนะถ้าท่านไปเกิดในที่ไหนโอ้โหท่านไม่ต้องปูที่นั่งเองอะแต่ก่อนที่ได้ฐานะเนี้ปูมาจะไม่รู้เท่าไหร่ <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็กลับไปกลับมาลักษณะอย่างนี้นี่แหละฉะนั้นอย่างเราถ้าหากมันไม่ค่อยมีใครต้อนรับก็อย่าน้อยใจ ก็ทําการต้อนรับคนอื่นต่อไป แ, แต่แต่ต้อนรับต้องมีใจดีด้วยนะไม่ใช่ใจริษยาทยําไปงั้นแหละอะไรเงี้ยทําตามหน้าที่อะไรเงี้ยไม่ได้ผลอะเงี้ยต้องทํำด้วยใจ น, อนอ้อมเนาะนี่เป็นอย่างงี้นะจุดก่อนสมัยก่อนที่เคยไปอินเดียพอดีไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาโอ้เขาก็มาต้อนรับกันใหญ่แล้วก็ลืมตัว <laughs> โอเอ๊ ี่เรานี่ไม่ธรรมดานะอะไรเนี่ยนะที่ไหนได้มานั่งคิดไปคิดมาก็ไม่ใช่ต้อนรับเราเรอใส่อาศัยบุญของคนอื่นเขาโอ้โหมีพวงดอกไม้ไปที่ไหนนะรอแถวเป็นแถวพวงดอกไม้มาคล้องคอพระแม่มเป็นนักร้องไปเลยตัวนี้ไอดอกดาวเรืองอย่างบ้านเราใหญ่ๆเยอะยังไงดิที่อินเดียเนี่ยพวงอย่างใหญ่ๆคล้องลากดินเลยลากติดดินเลยล ที่ไหนได้มองไปมองมาไม่ใช่บุญของเราเนี่ยบุญของคนอื่นครับก็พอดีเราไปคณะเดียวกับเขาก็เลยพอตอนที่เขากลับแล้วพอเราอยู่ไม่เห็นมีใครต้อนรับนี่สังเกตได้ชัดเลยตัวนี้ไปที่ไหนอ่ะบอกทางยังโกหกแล้วด้วยนะเราจะบอกทางไปตางนี้แขกโกหกชี้ไปอีกทางโอ้ขึ้นรถผิดเกือบแย่เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเลยว่าบุญไม่ดี คือคนมีบุญเนี่ยขนาดคนคิดจะหลอกเข้ามาเขาก็ไม่หลอกมันเป็นอย่างนี้ก็อย่างระดับพระเจ้าเป็นดินเนี่ยนะไม่มีใครกล้าหลอกพระองค์อย่างเงี้ยเวลาสมมติว่าคิดว่าเฮ้ยจะรายงานเทศซะหน่อยสมมุติเนี่ยพอไปเจอหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักพูดความจริงหมดเลยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ทําบุญกันให้ถึงระดับนั้นเลยในขณะนั้นนไงโดยครู่เดียวมหาเมฆเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปมหาเมฆ อันมืดครึ้มก็ได้ตั้งขึ้นมีสายฟ้าแปรปล้าเนี่ยนะคำรามอยู่แล้วก็ย้อยลงตั้งสี่ทิศต่อแต่นั้นนะ่ะพอพระผู้มีพระเจ้าก้าวพระบาทแรกลงบนฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วนะฝนโบกคราพก็ตกลงคนเหล่าใดต้องการให้เปียกก็เปียกเนี่ยฝนอย่างนี้ไม่เคยเจอในยุคบุญนยน้อยในยุคนี้ไม่เจอ ฝนบกขราพัดเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างว่าถ้าปรารถนาให้เปียกเปียกถ้าปรารถนาไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกคนที่ไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเนะน้ําฝนก็ไหลท่วมทนประมาณแค่เข่าแค่ขาและแค่สะเอวแค่คอย้อมไหลไปเนี่ยนือในขณะนั้นก็คือว่าไหลไปในที่ทั้งปวงพัดเอาซากศพทั้งปวงเนี่ยเนะ้ลงไปแน่ไหมนะแม่น้ําคงคา พื้นดินที่เคยสกรปรกเนี่ยนะเน่าเนี่ยสะอาดหมดเลยคือเหมือนกับมีท่อใหญ่เลยมาพัดเอาซากศพอะซึ่งมันเก็บศพกันไม่ไหวแล้วตายกันเป็นเบื่อในเมืองเนี่ยพอพุทธเจ้าเหยียบพระบาทลงนี่คนมีบุญเป็นอย่างงี้นะงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปจะไม่สถานที่ที่เลอะเทอะอะไรต่งางต่างอ่ี้จะราบเรียบหมดเลยด้วด้วยบุรมี พวกเจ้าฤิ์ชวีทั้งหลายทรงให้พระผู้มีภาคเจ้าประทับพักทุกกึ่งยอดแล้วก็ถวายมหาทานอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยแค่ว่าเหยียบเท่านั้นนะยังไม่ได้ทํากิจอะไรอย่างอื่นเลยนะก็ทําบูชาให้เป็นสองเท่าโดยใช้เวลาสามวันจากนั้นก็นําเสด็จพระผู้มีภาคเจ้าเข้าเมืองเวสาลีเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จถึงเมืองเวสาลีแล้วเนี่ยนะ เท้าส ก, ก่าจอมเทพเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพูดในเรื่องของเท้าส ก, ก่าใช่ไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเท้าส ก, ก่าเพื่อนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วพูดในเรื่องของสกกาปัญหาสูรอันนั้นพูดแบบลว ก, ลกๆเนี่ตอนได้ท้ายเรื่องปัญหาที่จริงปัญหาแต่และ ข, ข, ข้อขยายายาวเยอะท้าส ก, ก่าจอมเทพมีหมู่เทพรักษาอยู่เบื้องหน้าก็เสด็จมา งั้นถ้าเท้าสก่ามาเนี่ยคิดดูว่าเทวดาจะมาเท่าไหร่ไม่ใช่มาร้อยไม่ใช่มาพันนะถ้าท้าสกะมาเนี่ยมาเยอะแล้วพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีอำนาจเสด็จมาประชุมกันเหมือนก็บอกว่าโอ้ระดับพระเจ้าไปดินของเทวยเทพมาแล้วเทวดาระดับไอระดับขุนพลทั้งหลายระดับแม่ทัพทั้งหลายระดับนายกองทั้งหลายเนี่ยเนะ ย, นยก็มา พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็หนีไปโดยโดยมากนี่อมนุษย์พวกอมนุษย์พวกอสุรกายทั้งหลายเนี่ยเริ่มหนีแล้วทำไมถึงหนีต้องหนีี่เท้าสกาวมาใช่ไหมเท้าสกาวมานี่อยู่ไม่ได้หรอกหนีหมดแล้วพระผู้มีพภาคเจ้าประทับอยู่ที่ประตูพระนครตัดเรียกให้ท่านพระอนนมาแล้วก็ตรัสให้ท่านพระอนนเนี่ยเรียนรัตนสูตรสตรที่สวดสักครู่เนี่ย ให้เรียนสูตรเนี้ยยานีทภูตานีสมาคตานีเป็นต้นเนี่ยเนี้ยยานีทภูยานีทภูตานีสมาคาตาณีปุหมานิวายานิวายันตฤคีตถาคาตังเดวามนุสปูชิตังพุทธังมนุสสามสุวติโคตุเป็นต้นให้เรียนสูตรเนี้ยทําไมให้เรียนสูตรนี้เหตุที่ให้เรียนสูตรนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะป้องกันพยายนอันตรายทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองที่นี้ว่า แล้วถือเอาอุปกรณ์แห่งการทำพรีกรรมพร้อมด้วยพวกกูมาฤชวีทั้งหลายเดินไปในหว่างกำแพงสามชั้นที่ลายล้อมในเมืองเวสาลีก็กระทำป ร, ริษป้องกันเนี่ยในสูตรเนี่ยที่มีน้ำพระป ร, ะริตมีการปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่านพระอนนท์เป็นเป็นผู้กระทำนะแล้วมีทรายบางแห่กรรงก็ใช้ทรายปริตบ้างใช้ข้าวสารบ้างเป็นต้นนั่นนี้เขาก็ปราบพรมไป แล้วก็พวกกุมารฤชวีก็ตามถือเหมือนกับถือถือถานน้ำมนต์ให้เดินไปในระหว่างกำแพงสามชั้นเป็นต้นกระทาพระปริตป้องกันท่านผ้าน o ครั้งคั้นเรียนรัตนสูตรที่พระผู้พิพาก้าตรัสแล้วได้กระทาการสาทยายอยู่ที่ประตูพระนครเวสารีเพื่อกำจับและป้องกันอุปัมวะเหล่านั้นท่านใช้บาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้าเที่ยวเปล่าพรมไปทั่ว พานคอนเวสาลีก็เมื่อท่านพาะนนเริ่มคำว่ายังกินจิเท่านั้นนะนะนะเริ่มสวดเนนะี่ยบทนี้ทำบุญบ้านเมื่อไหรก็ต้องสวดทุกทีใครท่องได้ไหมใครท่องได้ไหมไม่ได้เลยเนรัต น, นสูตรเนี่ยคือเริ่มต้นยานีธภปูตา น, นีเป็นต้นมาถึงวรกสองที่บอกยังกินจีววตังอิทา ว, วาหุรังวา สักเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธธาธิตถาคเตนะยีดามบิพูเทรัตนังปณีตังเอเตนะซาเจนะสุวติโหตัวนี่บทเนี้ยพอเริ่มคำว่ายังยินจิเนี่ยนะคนเหล่านั้นที่เขาบูชาเนี่ยนะจะบูชาในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือว่าปรินิพานไปแล้วบูชาพระสถูปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบอกการบูชานั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเหมือนกับการบูชาเคารพจอบจองพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ด้วยเหตุเนี้ยแม้รัตนที่เสมอโดยพุทธรัตน์จึงไม่มีเพราะเหตุที่บุคคลทําการบูชายิ่งอย่างนี้ก็เชื่อเห็นว่าพุทธเจ้าจากมีพระชนอยู่หรือจะเสด็จดับขันเทวะริณพานแล้วถ้าจิตเรานอบน้อมบูชาแล้วเนี่ยก็ เ, เรียกผลมันเสมอกันอัตถกะถาท่านเปรียบเทียบรัตน์ไว้กับของมีค่าในมรนโลกบอกว่าของมีค่า ทั้งหลายเหล่านั้นหาเสมอกับพุทธะรัตนะไมมท่านก็ยกเขาบอกว่าถ้าพูดถึงผ้าเนี่ยผ้าที่มีค่ามากเมื่อวันก่อนยอมที่กรุงเทพเนี่ยเขาไปอินเดียเขาบอกก็เอาผ้าซื้อผ้าเป็นเหมือนผ้าห่มมาถาวายเขาบอกว่าอันนี้มาจากแฟนกาสีเนี่ยเรัด ผ้าจากแคว้นกาสีนี่มีค่ามากเป็นผ้าที่แม้จะเก่ามีสัมผัสนิ่มมีสีสวยมีราคามากก็หาเทียบกับรัตนะได้ไม่ถ้าคำว่ารัตนะจะมีความหมายว่ามีค่ามากมีราคามากเช่นผ้ากาสีรัตนะคือพุทธรัตนะนี่มีค่ายิ่งกว่าสรุปว่าถ้าเชื่อว่ารัตนะมีความหมายมีค่ามากรัตนะอื่นที่มีค่านั้นน่ะหาเสมอกับพุทธรัตนะไม่ รัตนานมีความหมายเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทำความเคารพ อ, อย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายทีนี้แต่ความหมายของรัตนะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้อัตถกถาท่านบอกว่ารัตนะเนี่ยคำว่ารัตนะเขาแปลเพราะอัตว่าช่างไม่ได้คำว่ารัตนะเนี่นยนะรัตนะของพระเ จ, าจา้าจักรพรรดิที่ทรงบำเพ็ญวัด จักวัดดิวัดจักวัดดีวัดก็หมายถึงวัดของพระเจ้าจักรพรรดิสิ ป, ปการนั้นเน่ยจึงได้มาด้วยอํานาจแห่งบุญของพระองค์ใครอื่นจะกระทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งท่านก็ลําดับให้ฟังเป็นเรื่องๆไปซึ่งจะนํามาเล่านะบอกว่ารัตนามีค่ามากจนไม่อาจจะช่างตวงได้มีค่าเท่านั้นเท่านี้นเนี่ยนะไม่อาจจะตีราคาได้เนี่ยเพราะเป็นของได้มาได้ดบุญของ เช่นรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นบุญของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่เทียบกับพุทธรัตนะคือไม่เทียบกับพุทธรัตนะไม่ได้อันใครๆไม่สามารถจะช่างตวงและกําหนดราคาได้เช่นกันด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณใหญ่อันใครๆไม่อาจจะช่างได้บอกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลคุณเท่านี้สมาธิคุณเท่านี้ปัญญาคุณเท่าเนี้ วิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนาคุณเนี่ยช่างไม่ได้รัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิมีอยู่เจ็ดอย่างเนี่ยเจอย่างก็มีจักรรัตนะคือจักรแก้วหัตถีรัตนะคือช้างแก้วอัศรัตนะคือม้าแก้วมณีรัตนะก็คือแก้วมณีอิทิรัตนะก็คือนางแก้วขหาปฏิรัตนะขุนคลัคงแก้วแล้วก็ปรินายกรัตนะขุ้นผลแก้วก็อธิบายบอกว่ามีอยู่ จ็อย่างนะมีชัจับแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วขุนพลขุนคางแก้วขุนพลแก้วนี่มีอยู่เจ็ดประการอันนี้เขาเรียกว่าบุญของพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะต้องมีรัตนนาเจ็ดอย่างเนะี่ยปัจจุบันยังไม่เจอพระจักรพรรดินีที่ญี่ปุ่นก็ไม่มี ไม่มีแล้วเนี้ยจากรัตนะบังเกิดขึ้นแก่พระเจ้าจักรพรรดิสำเร็จโดยอินทนิ น, นมีกรรมพันหนึ่งกรรมเหมือนกรรมเป็นล้อเป็นจักรเลยหนึ่งพันสำเร็จด้วยรัตนะเจ็ดประการมีกรงสําเร็จด้วยแก้วประการมีที่ต่อสําเร็จด้วยทองสีแดงมีกรรมเกลีย้ยงนือันหนึ่งวางอยู่บน กรรมทั้งสิ้นทำไว้เพื่อต้องลมแล้วก็เป่งเสียงมีเสียงประดุดดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าซึ่งเขาบรรเลงได้เฉพาะฉะนั้นที่ข้างทั้งสองของดุมมีหน้าสิงโตอยู่สองหน้าซึ่งภายในมีรูปเหมือนของล้อเวียนฉะนั้น บุคคลผู้ต้องการให้รัตนะนั้นได้ไม่มีจักรัตนะเกิดขึ้นด้วยอุตุอันมีกรรมเป็นปัจจัยเกิดจากอุตุก็คือเกิดจากความเย็นความร้อ น, เ, นเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามีกรรมของพระเจ้าจักรพรรดิที่ทําขึ้นเป็นปัจจัยจักนี่นะถ้าหากว่าโยนจักรไปนะที่ตรงไหนไม่มีใครกล้าลบด้วยอันนี้ไม่เคยมีถ้าใครมีนะโหดปกครองโลกทั้งใบแล้วปกครองเทวภูมิได้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์โลกนี่เป็นอย่างนี้นี่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นโดยอุตุมีกรรมเป็นบจจัยพระราชาบำเพ็ญจักรวัดดีวัดสิบประการเลยนะทรงสนานพระเสียรในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคเป็นวันโสถทรงรักสาวโสถศีลเสด็จไปยังเบื้องวนปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งและลึกถึงศีลทั้งหลายอยู่ทอดพระเนตรเห็นจักรรัตนะขึ้นตั้งขึ้นดุจพระจันทร์นะีเนะวันเพ็ญ ดูดผ้าทิศนั้นซึ่งครุมซึ่งบุคคลย่อมได้ยินเสียงตั้งสิสองยอดปรากฏตั้งสามยอดซึ่งมหาชนเกิดกลาหุนขึ้นอย่างยิ่งเห็นจะมีพระเจ้าจักรพรรดิผ้าทิตศขึ้นเป็นดวงที่สองครั้นแล้วจักรัตนานั้นก็ได้ลอยมาปรากฏอยู่เพื่องพระนครด้านทิศตะวันออกของคายไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปลอยเด่นไม่ไหวติงในเทียนควรนะเพื่อให้มหาชนได้บูชาได้ดอกไม้และของหอมเป็นต้น นี่เป็นเรื่องราวของจักรลัตนะที่ปรากฏด้วยนาคของบุญของพระราชานั้นมหาชนเห็นก็บูชาด้วยนะเพราะว่าเป็นของมีบุญประการต่อมาก็คือหัตถีรัตนะอันนี้คือช้างแก้วช้างแก้วเนี่ยติดตามพระเจ้าจักรพรรดิเป็นช้างเผือกเท้าแดงด้วยนะมีฤทธิ์ไปในอากาศได้ยังไม่เคยเห็นใช่ไหม นันที่เขาอาธิบายกันเนี่ยมันไม่ใช่ไงทุกวันนี่เขาก็เอาช้างเผือกมาเลี้ยงกันแต่เท้าก็ไม่แดงแล้วก็เหาะก็ไม่ได้ใช่ไหมช้างที่มาเลี้ยงเลี้ยงกันยังเถียงกันอยู่เลยบางกลุ่มเอ้ยช้างช้างเผือกนี่มันช้างผิดปกติหรือเปล่าบางคนก็นกนไปเถียงกันทะเลาะ ก, กันคนโงนี่ได้ช้างมีบุญช้างคู่บุญบรารมีอยู่ เกิดจากสกุลช้างอุโบสถหรือสกุลช้างฉัตรทันนะถ้าหากว่ามาจากสกุลช้างอุโบสถก็เป็นช้างที่เป็นหัวหน้าช้างทั้งปวงถ้าเป็นสกุลช้างฉัตรทันก็เป็นช้างตัวสุดท้องได้รับการศึกษาอบรมฝึกมาแล้วอย่างดีช้างแก้วนี้พาบริษัทไปทั้งสิ้นทาง12โยอครอบงำชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วจึงกลับมาสู่ราชธานีของตน ในเวลาก่อนอาหารเช้าที่เดียวนี้เป็นเรื่องของเยอะสมมติถ้าจะไปเนี่ยระยะทางสิบสองยอดเนี่ยถ้าจะเดินไปเดินกลับเนี่ยเนี้ยมากินอาหารเช้าทันเลยความเร็วอะเร็วขนาดเนี้ยเครื่องบินที่สหรัฐทำยังไม่ได้เร็วขันหน่ะเนี้ยนะ น, นี่เร็ว หาได้นช้างนี้เหาได้ช้างมีบุญหนึ่งส่วนอัสสารัตะนานี่มาแก้วมาแก้วนี่เกิดติดตามพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นม้าสีขาวเท้าแดงศีสันดาก็นึกภาพเอาเนี้ยสีขาวเท้าแดงศีสันดำขนเหมือนหญ้าป้องมาจากสกุลมาเวลาหก ได้รับการฝึกอย่างดีสามารถพาบริษัทไปทั่วชมพูทวีปกลับมายัางราชันนีของตอนในเวลาก่อนอาหารเช้าเช่นเดียวกันเร็วส่วนมณีและแตนนะาคือแก้วมณีนั้นเป็นแก้วไปทูนสวยงามชอดช่วงซึ่งสร้างไว้ดีแล้วตั้งแปดส่วนเช่นกับรูปดุมเกวียนนะ่นนะ ย่อมส่องแสงสว่างในที่มืดประกอบด้วยองค์สี่ไปได้ถึงหนึ่งโยศซึ่งพวกมนุษย์ทั้งหลายสําคัญว่าเป็นกลางวันเพราะแสงสว่างก็ไปไว้ที่ไหนแสงสว่างมองเห็นเป็นกลางวันแล้วพากันประกอบกรารงานแก้วมณีนั้นสว่างเห็นได้แม้แต่มดดําและมดแดงสว่างขนาดนั้นนะ ส่วนนางแก้วนั้นนะ่ะติดตามพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นอัครมเหสีตามปกติธรรมดามิฉะนั้นก็เสด็จมาจากอุตรากุรุทวีปคือบางทีก็มาจากทวีปอื่นผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นนางแก้วเป็นพระมหาเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิโอ้โหนางแก้วเนี่ยเป็นบุคคลที่งามมากมีสัมผัสนิ่มว่าน้น ไม่คือในอุตตรกุรุทวีปเนี่ยในทวีปนั้นก็มีมนุษย์อยู่นี่แหละแต่ว่าในทวีปนั้นเขาเขาไม่ค่อยรุนแรงเหมือนกับชมพูทวีปหรือก็ไม่ก็มาจากตระกูลสมัตธราชก็ได้นางแก้วนั้นเน่ยย่ยอมเว้นโทษเจ็ดประการ ก็หมายความว่าไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปอะไรเป็นต้นเราเนี่ยนะไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเนี่ยมีวผิวพันธุเปล่งปังเกินผิวมนุษย์ด้วยแต่ไม่ถึงผิวของเทพพิธดาเนี่ผิวนี่นะความงามเนี่นะไม่ต้องใช้ยาประทินผิวไม่ต้องอะไรต่างๆล้ไม่ต้องทาผิวเลยอย่างเราท่านทั้งหลายทาแล้วก็ยังตกกลราอยู่เลยทาแล้วก็ตกกราอยู่เลยใช่ไหม เนี่ยถ้าหากว่าเป็นนางแก้วแล้วแต่ว่าไม่ถึงเทวดานะในเวลาที่พราานะพราชาเนี่ยนะพระราชาเนี่ยเย็นเนี่ยกายของนางก็อุ่นเออเป็นอย่างงี้ในเวลาที่พระราชาร้อนเนี่ยกายของนางก็เย็นโอ้ดีก็ผ่อนแออีกเนี่ยนะ เ อ, อดีมากครับพอดูบุญกองแก้วมณีแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่านั้นแสดงว่าอุตุในกายนี่ปรับได้อุตุในกายนี่ปรับได้พอพูดมีสัมผัสที่นิ่มดุดปุยนุ่นที่เขาปักแล้วที่เขาปั่นแล้วถึงเจ็ครั้ง สัมผัสนะหมายความว่าเวลาถูกนะ่มันนิ่มไม่ใช่ตัวเบานะคือพอถูกแล้วมันนิ่มมีกลิ่นจันเนะ่ฟุ้งออกจากพรากายของเรานี่ไม่รู้กลิ่นอะไรไม่รู้โอไม่ได้เลยมีกลิ่นดอกอุบลเนนะี่ยฟุ้งออกจากพระโอด เวลาพูดออกมาเนี่ยกลิ่นหอมอสรุปแล้วไม่ต้องแปลงฟันนียเนี่ยประกอบด้วยคุณเป็นอันมากมีการเสด็จลุกขึ้นก่อนพระเจ้าจักรพรรดิเป็นตอนก็หมาตื่นก่อนนอนที่หลังเนี่ยผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยตื่นที่หลัง น, นอนก่อนอีกแล้วนะนอนก่อนเวลาผู้ชายตื่นแล้วยังไม่ตื่นเลย ปลกให้โลกยังกรอดดโลกขึ้นเหมาเออารอไอวใช่ไมแต่ถ้าหากนางแก้วมณีนี่ไม่ตื่นก็ทำกิจของผู้หญิงสมบูรณ์แบบเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและก็เคยมีนางแก้วเนี่ยมาแล้วนั้นพระองค์ได้มาหมดแล้วถ้าเราเลึกถึงอดีตชาติเนี่ยจนปุ๊บเบื่อมาหมดแล้ว เรื่องกาลมาคุณนี่พระองค์เบื่อมาแล้วมาเฮีอะไรบ้างที่ไม่เคยจริงๆเราท่านทั้งหลายก็เคยเนะแต่ระลึกไม่ออกระลึกไม่ได้พอระลึกไม่ได้โมหะก็ครอบงําเมื่อครอบงําก็เลยอยากได้เรื่อยไปตรนี้ไอ้ตัณหาก็สร้างพบไปเรื่อยๆสร้างทยานอยากไปเรื่อยๆไม่รู้จะอิ่มทมอะไรก็ไม่เต็มลืมหลังอยู่เรื่อยได้หน้าลืมหลังอยู่เรื่องนี่เป็นอย่างงี้มันก็น่าเบื่อกันจริ ง, รงๆอันเนี้ย ยั ง, ง่ายก็ไม่ยอมเต็มกันได้ดิประการต่อมาคือว่าขหาพติรัตนะนี่ขุนคลังแก้วกับปรินายการัตนะนี่ขุนพลแก้วขุนคลัคงแก้วนั้นเกิดขึ้นติดตามพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเป็นเศรษฐีที่ทําการงานตามปกติของพระราชาซึ่งพอจักรรัตน์บังเกิดขึ้นทิพจักขูก็บังเกิดขึ้นแก่เศรษฐีนั้นขั้นมีทิพจักขูแล้วก็เห็นขุนทรัพย์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในประมาณหนึ่งโยดโดยเรานั้นคนที่เป็นอข้าหาปฏิแก้วเนี่ยขาหาบดีแก้วเนี่ยก็มีตาทิพม์หนึ่งโยดเนี่ยมองทะลุลงไปในดินได้หมดเลยมองขึ้นไปที่ไหนก็เห็นหมดเลยทีนี้ก็เห็นใช่ไหมตรงไหนมีทรัพย์อยู่อตรงไหนมีแร่ธาตุตรงไหนมีทรัพยากรตรงไหนอะไรต่างอาก็ไปขุด นี่ตรงนี้นี่แหละมืนเวลาพระเจ้าจากาักรพรรดิปราถนาอะไรนี่ง่ายมากถ้าพระเจ้าจากาักรพรรดิบางพระองค์ในเรื่งเยกะตัวอย่างเช่นพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยนี้บุญหนักขนาดน่ะไม่ต้องอาศัยข้าวพอดีแก้วหรอกตบมือสามครั้งนี่ฝนกรหาปัญะล่วงมาจากฟ้าฝนเงินง ฝ, ฝนทองอะร่วงมาเต็มหมดเลยตบตบพระหัตสามครั้งบุญขนาดนั้นน่ะ แล้วขนาดว่าเล่าบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดินี่ปรารถนาอะไรได้หมดจนเบื่อเลยอ่ะนี่โลกมนุษย์นี่เบื่อหมดแล้วก็เลยถามถามคุ้นพลแก้วปรีนายกแก้วว่าถามโอ้ยังมีเมืองอื่นอีกไหมเนี่ยอ่อก็บอกว่ามีสวรรค์ชั้นจาตรมโย้อนจักไปเลยโอ้โหพระเท้า จาตูมหาลาศเห็นแค่นั้นออกมาสวามิภักยกเมืองให้เลยอะปกครองสวรสด์ฉันจ่าตูมอยู่ภาคหนึ่งเบื่ออีกนะ mm hmm. เบื่อยังมีที่อื่นไว้หนุนทัก mm hmm. ฉันดาวดึงโยนจักรขึ้นไปแล้วจักรก็ลงมาขึ้นไปท้าสากาไม่กล้าลบด้วยเพราไม่กล้าลบเลยยกสวรรค์ให้ครึ่งหนึง่งแล้วก็นั่งบนปันทุกรรมพลศิลาไปอยู่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาอยู่จนเท้าสากาตายไปสามสิบอก ก็ไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วยังไม่พอเนะี่ยบอกผมไม่ไหวถ้าเราปกครองแบ่งกันคนละครึ่งอย่างเงี้ยไม่ดีฆ่าท้าสักกาเลยดีกว่าหไหมเนี่ยไอ้ตัณหาแล้วต่อมาก็ถึงขนาดมีจิตคิดโกรธจะฆ่าท้าสักกาตัวเองก็ล่วงตกลงมาแล้วก่อนจะสอนอนาคตก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเนี้เอาไปเป็นตัวอย่างเราพระเจ้ามันธาทุราษฎเนี่ยมีตัณหาขนาดเนี้ย มันถมมันยังไม่เต็มมก็บอกกับพระทั้งพระที่กสันจะศึกพระฟังแล้วได้บรรลุโอ้ตอนนั้นสัตว์ได้บรรลุกันเยอะพระเจ้ยายกมาเป็นตัวอย่างวอดีตชาติพุทธเจ้าเคยมีความต้องการขนาดนี้ฉะนั้นอย่าไปตามใจมัมนื่อทีมันอยากเที่ยวไหยไปตามใจเราโอไปมถมเงิก็ไม่เต็มนะเคยอยากเที่ยวไหมนั่นแหละเวลาถมไม่เต็มแล้ว ไม่เต็มเลยขั้นเป้าพระราชาแล้วก็เปรานาตัวบอกว่าข้าแต่พระองค์พูดเป็นส ม, มุติิทพบขอพระองค์จงมีความขวนขวายน้อยข้าพระองค์จะทา ก, รรกิจที่พึงกระทาด้วยทรัพ์เพื่อพระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องทรั์สมบัติต่อไปจะมีเป็นหน้าที่ของข้ารองค์ก็หารับไม่ ส่วนคุนพลแก้วนั้นเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาเมื่อจั ก, กรรัตน์เกิดขึ้นก็เป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาและเฉียบแหลมคุนพลแก้วนั้นกำหนดรู้จิตของบริษัทได้ประมาณสิบสองยอดด้วยจิตของตนคนที่อยู่ในบริเวณสิบสองยอดเนี่ยกำหนดจิตของคนอื่นรู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นี่ขนาดนั้น สามารถข่มและยกย่องก็ได้เขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิกระโทนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติีเทพขอพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะปกครองดูแลราชสมบัติเพื่อพระองค์อันนี้ผมไม่เคยคิดแย่งชิงราชบัลลังก์เพราะเป็นบุญเนี่ยเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่เนี่ยนะมีหน้าที่ปกครองดูแลแล้วก็ตรวจตรานี่เขาเรียกว่าขุ้นพลแก้ว นั้นคนที่จะเป็นคุนพลแก้วจริงๆต้องสามารถกำหนดใจของบริษัทได้ส2ดสองยอดนี่ขนาดนั้นนึ่นประการต่อมาคือรัตนาทั้งเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ว่ามีค่ามากจนไม่อาจที่จะช่างตวงได้ควรแก่ซับเท่านั้นเท่านี้นัน้ น, นก็ยังหาเทียบกับพุทธรัตนาไม่ไม่ว่ามาเหอรอรัตนาทั้งเจ็ดประการเนี่ยในเจ็ดประการเนี่ยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ ว, กวมณีนางแก้วขุนคลังแก้วแล้วก็พุนคนแก้วขนาดมีค่าขนาดนี้ถ้าเทียบกับพุทธรัตน์เทียบไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะบอกว่าเทียบกับพุทธรัตน์ของพระเจ้า ใครไม่อาจจะช่างตวงกําหนดของพระองค์ได้มีศีลเท่านี้มีสมาของพระพุทธเจ้านี่นะมีศีลเท่านี้มีสมาธิเท่านี้มีปัญญาเท่านี้มีวิมุตติมีมุตติรัตนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพระตถาคตชื่อรัตนะด้วยอัถวาอันใครใครช่างตวงไม่ได้ด้วยคุณทั้งหลายเป็นอนเนกด้วยประการดังที่ได้กล่าวประการต่อมาก็คือว่ารัตนะ ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันบุคคลเห็นได้โดยยากท่านอธิบายบอกว่ารัตนะของพระเจ้าจักรพักพัดเนี่ยมีจักรรัตนะมีช้างแก้วจักรแก้วม้าแก้วคุณพลแก้วขุนคางแก้วเป็นต้นนางแก้วเนี่ยนะซึ่งปรากฏว่ายากที่ใครๆจะเห็นได้นั้นเห็นยากคนทั่วๆไปไม่ค่อยเห็นก็ยังเทียบกับพุทธรัตนะหาได้ไหม เพราะพุทธรัตนานั้นไอเงี้ยใครๆเห็นได้โดยยากเพราะพระตถาคตนั้นน่ยทรงอุบัติบังเกิดขึ้นเป็นบางคราวในโลกนี้ระยะเวลาที่โลกว่างจากพระตถาคตเจ้านั้นบางครั้งก็ถึงอสงไข่กลับนับว่านานมากกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งแล้วพระองค์ก็บริสิพผ่าน ไม่มีใครได้เห็นพระองค์ด้วยเหตุ น, นั้นรัตนาที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเพราะอัตจะวาอันบุคคลเห็นได้โดยยากย่อมมิมีเราก็ไปพิจารณากันอย่างทุกวันนี้นะแล้วปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆไม่เห็นโดยพระรู ป, ปากายหมดโอกาสแล้วในสังสารวัฏอีกข้างหน้าอีกอก็หมดโอกาสถ้าพูดอย่างนี้มันน่าเศร้าใจด้วย นะถ้ามองมองรักซะไหนเนี่ยเหลือแต่พระธรรมคาสอนเท่านั้นเองแต่ถ้าพระธรรมคาสอนไม่เร่งขวนขวายไม่เร่งพยายามาัวประมาทนี่นะยิ่งโมดโอกาสยัง เ, ออเราถามหูถามตาเราเหมือนกันเนี่ยว่าไม่รู้มันจะบอดไม่รู้จะหน่วงเมื่อไหร่เนี่ยถามร่างกายก็ไม่รู้จะไหวเมื่อไหร่ถามใจของเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสัมมาทิฏฐิดได้กี่มันนะมันอาจจะไปคิดผิดเห็นผิดเมื่อไหร่ก็ได้ การน้อมคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยในการให้เราเร่งขวนขวายในการที่จะเพียรพยายามในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ารัตนาเพราะอันสัตผู้ต่ำสามไม่อาจจะบริโภคได้เป็นของที่สัตผู้ไม่ต่ำสามบริโภคอย่างจักรัตนาเป็นต้นเนี่ ย, ยของพระเจ้าจักรพรรดนั้นหาได้บังเกิดขึ้นเพื่อการใช้สอยของผู้อื่นแม้มีทรัพย์ตั้งแสนโกดม บอกว่าจาักรรัตน์เป็นต้นน่ยไม่ใช่ของมีบุญธรรมดาคนมีบุญธรรมดานั้นต้องเป็นของที่ของคนมีบุญระดับพระเจ้าจากักรพรรดิแม้นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็หมดโอกาสที่จะได้จักรรัตน์เป็นต้นเหล่านั้นแม้อยู่บนพื้นประสาทอันประเสริฐเจ็ดชั้นกด็ดีของคนผู้ต่ำสามผู้เกิดในตระกูลต่ำมีตระกูลยันทานช่างสารนายพานช่างไม้ช่างรถแล้วก็คนเทขยะไม่ใช่ โดยที่สุดแม้โดยความฝันรัตนาเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏทั้งนี้เพราะรัตนานั้นเป็นของผู้ไม่ต่ำสามเท่านั้นบริโภคกล่าวคือรัตนะเหล่านั้นบังเกิดขึ้นเพื่อการบริโภคใช้สอยของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นอุปโตสุชาติคือเกิดบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนทั้งส่วนบิดาและมารดาเป็นต้น เกิดในตระกูลที่หมดจดทั้งสองฝ่ายมารดาและบิดาเนี่ยนะถึงอย่างนั้นรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดนั้นก็หาได้เสมอด้วยรัตนะคือพระตถาคตไม่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระตถาคตนั้นไม่สมควรแก่การบริโภค ข, ของสัตว์ผู้ตำ่ำผู้ไม่มีอุอปนิสัยเช่นพวกครูทั้งหกเนี่ยปุรณกัสสปามคคาริโคสาลอาชิตาเกตกำบลสัญชัยเวลพระบุตร ป, ป, ปกุทกัจใยนะ แล้วคนนี้คนน่าตะบุตรไม่ใช่ของครูทั้งหกซึ่งมีความเห็นผิดเห็นวิปปิษิ์และไม่สามารถแก่การจะบริโภคของบุคคลอื่นโดยที่สุดแม้จะโดยการฝันถึงแต่ว่าพระธรคตเป็นผู้ควรแก่การบริโภคของชนทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยหรืออุปนิสัยถึงพร้อมคือคนที่มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยที่จะบรรลุพระอหรหันต์เป็นต้นในที่สุดแห่งคาถาที่ประกอบไปด้วยบท สี่บาทพระคาถาเนี่ยผู้มีนิเพธิกะยานทัศนะ mm. ก็หมายความว่าคนที่มี mm. นิเพทาพาคีย์ mm. มีอัทยาศัยในการที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ mm. ในการจะประหารสำรอกกิเลสเนี่ยคนที่มีอัทยาศัยเหล่านี้มีสิทธิ์ได้บริโภคพระตถาคตบริโภคพุทธัตนะถ้าใคร มีอัธยาศัยในการที่จะบรรลุเป็นผ้าริยะบุคคลเหล่านั้นก็ได้บริโภคลัตนะคือพุทธรัตนะได้อย่างแท้จริงถ้านอกนั้นก็บริโภคไม่ค่อยถึงอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไ้มเวลาจะคิดถึงคุณของพระรัตนไตยคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คิดน้อยคิดได้น้อยมากเหตุที่คิดได้น้อยก็เพราะว่ามันคิดไม่ค่อยออกเช่นว่า เรามองพระรูปของพระพุทธเจ้าหรือไปอยู่ต่อหน้าพระธาตุพระบรมธาตุเนี่ยเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้าจะให้ไปนั่งตรึกพุทธคุณเนี่ยนะแม้พอเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยบางทีสาธยายได้แต่ก็ไม่รู้อัตถะก็ไม่ลึกซึ้งในจิตใจว่าคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยิ่งใหญ่สักปานใดเน้อแล่เนี่ย ก็คิดไม่ค่อยออกเหตุที่เป็นอย่างนี้อย่าอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจนะเพราะว่าคนที่จะบริโภคพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเหล่านี้ได้หรือบริโภครัตนาประการแรกคือพุทธรัตนาได้นั้นเนะี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีนิเพทะนิเพธิกายานทัทนะ คือคนที่ตัดสู้ได้เรวพันเป็นต้นเหมือนพระพายะทารุจริยะเป็นต้นและผู้ควรแก่การบริโภคมหากรุณาสาวพระมหาสาวกผู้เกิดในสกุลใหญ่เหล่านั้นด้วยว่าพระอริยะสาวกเหล่านั้นยังการบริโภคนั้นให้สําเร็จอยู่ด้วยอนุตตริยะทั้งหลายมีทัศนานุตริยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมเป็นต้นคือพระอริยะสาวกเหล่านั้นนะต่อกรเนี่ยท่านมีอะไรท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นทัศนานุตริยะ ถ้าบอกว่าจะไปดูพุทธรัตนะกลับไปดูแก้วมณีเพชรนินจินดาไปดูอะไรต่างๆนี่นะไปดูสมมติไปดูงานนู่นแหละมหากรรมต่างๆทั้งหลายเนะี่ยกลับไปดูพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมอะไรเป็นทัศน analy โอ้ไปดูพระพุทธเจ้าแต่ทําไมใจเรามันไม่น้อมไปเพื่อจะดูเหล่านั้น ท, ทีอยู่มันก็เฉยๆไงนะมันไม่ตื่นเต้นน่ะแต่ถ้าหากว่าจะไปดูกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำไมตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหรอกเพราะอะไรเพราะอะไรไม่มีอัตตสัมมาปณิทิคือตั้งตนไว้ไม่ผิดไม่ถูกไปมีมิจฉาปณิทิตั้งตั้งจิตไว้ผิด และยังไม่พอเนี่ยขาดโยนิสมมนัิการคือไข้ครวนไม่เป็นเนี่ยเราไม่ไม่รู้ไงว่าถ้าคนมีตาดีทั้งหลายถ้ารู้ว่าถ้าเราไปเกี่ยวข้องนาะที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปจะประสบบาปมิใช่บุญเบนอันอมากและเราก็จะต้องไปประสบทุก์ตลอดกาลนานถ้าเรารู้เนี่ยเชื่อไม่ไป อันนี้มันไม่รู้หรือรู้ก็ไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่หรือถ้าไปก็ต้องระวังจิตเป็นเนี่ยนั้นด้วยการที่เราเราไม่รู้ตรงนี้ให้มันชัดเนี่ยพอไม่รู้ให้มันชัดเนี่ยก็เลยไม่เห็นว่าการกระทาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นต้นนั้นคนก็สแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมา ก, กันยิ่งขึ้นทีนี้ อนุตริยาทั้งหลายมีทัศนานตริยาการเห็นที่ยอดเยี่ยมเป็นต้นเป็นจึงเป็นผู้ชื่อว่าได้บริโภคตถาคตพระตถาคตเพราะฉะนั้นรัตนาที่เสมอด้วยพระตถาคตแม้ได้อัดว่าเป็นของดีสัตว์ผู้ต่ำต้อยบริโภคได้ยากย่อมไม่มีความหมายคำว่ารัตนะอีกประการหนึ่งก็หมายคือทำความยินดีให้เกิดคาว่ารัตนานี่นะ ทำความยินดีให้เกิดก็จักรรัตนะเป็นต้นของพระเจ้าจักรพรรดิที่ยังความยินดีให้เกิดแก่พระเจ้าจักรพรรดนั้นเมื่อเทียบกันกันกบรัตนะคือพุทธรัตน์แล้วย่อมไม่อาจเสมอกับพุทธรัตน์ได้เพราะพระพุทธเจ้าย่อมยังความยินดีให้เกิดขึ้นในฌานเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยยินดีในบัถมชฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุทะฌาน ยินดีในอากาสาัญญายตนาวิญญาณัญายตนาอากินญัญญายตนาเนวะสัญญานาสัญญายตนะยินดีในโสดาปัฏิมักสกาธาค า, คามิมักอนาคามิมักอาถ า, มม า, า, าตมากยินดีในพระนิพพานเป็นต้นเนื้อพระพุทธเจ้าทรงยินดีโลกุตละธรรมทรงยินดีทิพยะทรงยินดีในอะไรอริยวิหารทิพยวิหารอิริยาบถวิหารเป็นต้นพระมิหาร นี่ยลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยินดีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วพุนพลแก้วนางแก้วขันหบดีแก้วปรินายกแก้วเห็นะแต่ความยินดีของพระเจ้าจากักรพรรดิเหล่านั้นเทียบไม่ได้กับความยินดีของพระพุทธรัตนะ กินจี๋เท่านั้นพวกอมนุษย์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ตามกองขยะและที่ฝาเรือนเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้หนีไปตอนที่ท้าวส ก, ก่าและเทวดาสด็จมาเนี่ยก็ได้พากันหนียัดเยียดออกทางประตูทั้งสี่ทิศจนไม่มีที่ว่างเว้นโอ้โหชนี้ที่หนีแต่ละดตลิดเปิงเลย น, นะก็สวดบทนี้กันบ่อยๆก็แล้วกันเวลาอยู่ที่บ้านขับไล่อมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่พึงประสงค์ อมนุษย์บางพวกหาที่ว่างออกไม่ได้ก็ได้ทําลายกําแพงแล้วก็นหนีไพวกอมนุษย์หนีไปแล้วโรคของมนุษย์ทั้งหลายก็สงบลงมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันออกจากเรือนของตนเดินตามบูชาท่านพระ อ, อ น, นุนด้วยดอกไม้และของหอมทุกชนิดมหาชนก็ได้ใช้ของหอมที่สันถาคามคานใ น, นในถ้ำกลางพระนครกระทําเพดานประดับรับรตนะและเครื่องประดับทุกอย่าง ผู้พุทธาฏในสันถาคานนั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะนั้นก็ประดับตกแต่งที่ประทับของพระพุทธเจ้าภิกษุสงฆ์พวกภิกษุสงฆ์ตลอดถึงพระราชาฤฉวีทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายก็พากันนั่งในอาสนะที่สมควรท้าสกัดจอมเทพเสด็จมาประทับนั่งพร้อมกับเทพบริษัทธในเทวโลกทั้งสอง คือในชั้นจาตุมหาลาชิกากับชั้นดาวดึงเนี่ยแม้เทวดาเหล่าอื่นที่ชั้นทรงสูงขึ้นไปก็นั่งบนเทพบริษัทของตนของตนฝ่ายท่านพระอานอน์เที่ยวปราภพมน้ำพุทธมนต์ไปจนทั่วพระนครเวสาลีแล้วก็กลับมาพร้อมกับชาวเมืองเวสาลีนั่งในสันฐานคานนั้นหน้าที่นั้นพระผู้มีพระเจ้าจก็ตัดลัตนาสูตรนั้นอีก ที่ผานนนไปสาธยายสูตรนี้เบ็ดเสร็จแล้วนะสาธยายปราพรมน้ําพุทธมน์เบ็ดเสร็จต่อมาก็กลับมาพอ ก, กลับมาเบ็ดเสร็จพุทธเจ้าก็ตรัสสูตรนี้อีกเลยเริ่มด้วยคําว่าต่อไปจะขยายความนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไปที่มาคาถาแต่ละคาถาที่เริ่มด้วยคําว่ายานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวอันตถริกี สัเพวภูตาสุมาณาผวันตุอโถปีสักกัจจายสุนันตุภาสิตังตัสมาอิภูตานิสาเมทะสัเพเมตังกระโรธามนุสยาปายาัญญาแปลหน่อยนะแปลว่าพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภุมมัตเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี ขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีใจดีคือใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี้ยและขอจงฟังภาสิทธิ์โดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์คำอธิบายก็คือว่าพูดในที่นี้มีหลายในยะ แต่พูดในนี้ก็แปลว่ามนุษย์พูดคือมนุษย์ทั้งหลายทั้งที่มีศักดิ์น้อยและศักดิ์ใหญ่ที่มาประชุมกันแล้วเนี่ยนยีทีนี้เทวดาที่อยู่ในภาคพื้นที่เรียกกันว่าภูมิธาเทวดาเราใดตลอดถึงเทวดาที่อยู่ในอากาศที่มาประชุมกันในที่นี้ถ้าขยายความอีกก็คือว่าพูดทั้งหลายเราใดตั้งแต่เทวดาบนดินเทวดาที่อยู่ในวิมาน เทวดาที่อยู่บนต้นตามต้นไม้ภูเขารวมความว่าเทวดาทั้งหมดทุกจำพวกจงเป็นผู้มีใจดีแล้วก็มีความสุขความสุขก็คือมีปีติมีสมณะนะนะแล้วบว่ า, วาจงฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเคารพด้วยพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลหาได้โดยยากยิ่ง คือยากที่จะได้ฟังหวกนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าสุภาษีบอกว่าจงฟังภาษิตของพระพุทธเจ้าโดยเคารพเอา้าทำไมจึงฟังโดยเคารพล่ะเพราะภาษิตของพุทธเจ้าเนี่ยหาฟังได้ยากเป็นถ้อยคำที่มีอา น, นิสงส์เป็นอันมากเพราะประกอบไปด้วยปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณเป็นถ้อยคาอันตะนามาซึ่ง สมบัติอันเป็นทิพย์แล้วก็นำมาซึ่งโลกุตละสมบัติก็หมายความว่าการฟังพระธรรมนี่นะเป็นการกระทําได้ยากทําไมจึงกระทําได้ยากเพราะการกระฟังฟังพระธรรมเนี่ยเมื่อฟังพระธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้ที่ฟังทั้งหลายเ อ, อพอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ย ก็ขยายคําว่าภูตอนนี้พูดเราใดมีศักดิ์น้อยก็ตามมีศัก์มากก็ตามเนี่ยพูดศัพท์ใช้ในความหมายเยอะแยะนะหลายความหมายเช่นความหมายที่หนึ่งมีความหมายว่าพูดตัดสมิงปาจิตตยังก็แปลว่าเป็นปาจิตตีในพอบบอกอุตริมนุสธรรมที่ที่มีจริงแก่ อ, อนุกัสมบัตอันนี้แปลว่าพูดเหมือนกัน หมายถึงเบญจขันก็ได้หมายถึงรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ได้เช่นมาจากคาว่าภูตามีดังพิกเวสมนุลปัสสะเธอจงพิจารณาเบญจขันคือพิจารณารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันพูดหมายถึงมหาพูทธรูปหมายถึงดินน้ําไฟลมก็ได้หรือพูดพูดเนี่ย หมายถึงว่าบุคคลใดเป็นผู้กลืนกินการก็ได้หรือหมายถึงสัตว์ทั้งปวงย่อมมีทิ้งร่างกายไว้ในโลกก็ได้ฉะนั้นหมายถึงหมู่สัตว์ซึ่งอยู่ภายใต้ชั้นจาตุมหาราชิกาลงมาเป็นต้นก็ได้เทวดาทั้งหลายก็ได้นี่มีลักษณะอย่างนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอพูด ทั้งปวงจงตั้งใจคือทำไว้ในใจได้แก่ประมวลมาด้วยใจทั้งหมดนะคำว่าประมวลมาด้วยใจทั้งหมดก็คือจงฟังเทศนาของเราซึ่งจะนำมานำสมบัติอันเป็นทิพนำโรกุตลสมบัติมาให้ฉะนั้นถ้าเวลาฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกให้ประมวลมาด้วยใจนะเมื่อเราประมวลด้วยใจล้วเรามาแล้วเนี่ยสมบัติที่เราจะได้ก็คือสมบัติที่เป็นทิพ ก็คือได้จาตวมาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิ ม, มานอรดีบาลนิมิสวัสวัสดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้โลกุตระสุขมาให้สุขในการที่ได้โสดาปฏิมากสกาทาคามิมคกานาคารมัมกอราหัตมักนี่นะโสดาผลเป็นต้นและได้นิพานสมบัติเป็นต้นโดยสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงกำหนดพูดภูธสัตว์ทั้งหลายด้วยกาหนด ด้วยคาว่ายานีทภูตา น, นี้เป็นต้นพูดเหล่าใดมาประชุมกันแล้วในที่นี้อันนี้กําหนดแบบว่าไม่แน่นอนนั่นเองตรงนี้นี่แหละที่บอกว่านําโลกุตระสุขมาให้เพราะฉะนั้นจึงควรตั้งไว้ในใจโดยเคารพเพราะเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ประกอบไปด้วยอัตตาสัมมาปณิทิเขาแปลว่าอะไรตั้งตนไว้ชอบ คือเทวดาทั้งหลายที่มาเนี่ยที่มาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นล้วนแต่ตั้งสัมมาทิฏฐิมาด้วยกันดังนั้นแล้วก็มีโยนิสโสมนัสิการคือการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายคิดถูกทางถูกวิธีคือฉลาดคิดมีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นผู้มีใจดีอัธยาศัยดีมีเขาเรียกว่าตั้งใจฟังโดยความเคารพประกอบด้วยโยนิสโสมนัสิการสมบัติ แล้วก็ในโคษะสมบัติปัลลตโอโคษะนั่นเองก็หมายความว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยคือฟังธรรมจากผู้อื่นคือจากพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยความเพียรนันบริสุทธิ์เขาเรียกประโยชคะสุทธิในอันที่จะคบหาสัตว์บุรุษและการฟังธรรมจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นขอจงตั้งใจฟังพระเทศ ศานาโดยความเคารพและจงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่มนุษย์พระเจ้าบอกว่าบอกให้กระเทวดาทั้งหลายใช่ไหมบอกว่าอย่าได้ไปคิดร้ายกับมนุษย์เนะตั้งใจฟังโดยเคารพตั้งอัธยาศัยที่บริสุทธิ์แล้วก็จงเป็นผู้มีใจดีมีอัธยาศัยงามตั้ง ต, งตนไว้ชอบประกอบไปด้วยโยนิโสมนสัสการเป็นต้นเหล่านี้นะ และในขณะเดียวกันขอท่านทั้งหลายจงแผ่ไม่ตีจิตเมตตาจิตให้กับในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเทวดาในยุคนั้นก็แผ่เมตตาให้กับมนุษย์กันเป็นงานใหญ่ที่พระผู้ธมีภาคเจ้าขอให้เทวดาแผ่เมตตาไปยังหมู่มนุษย์นั้นก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายได้รับอุ ป, ปัตตวะคือได้รับภัยสามประการเนี่ยคือภัยจากข้าวยากหมากแพงเนี่ย ภัยจากอมนุษย์แล้วก็ภัยจากโรคต่างๆมีอายอหิวาตกโรคเป็นต้นได้รับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเป็นอันมากพวงเทวดาทั้งหลายขอจงเข้าไปตั้งเมตตาจิตก็หมายความว่าเอ็นดูแก่หมู่มนุษย์เกื้อกูลแก่มนุษย์ด้วยอานิสงส์สบอ็ประการเนียสุขขังสุ ป, ปฏิสุขขังปฏิพุทติปา ป, ประการส ป, ปีนังปสัสสติมนุษย์สานังปิโยโหติอมนุษสานังปิโยโหติ เทวดาละคันตินาสักีวาวิสังวาสตังวาคมามติตัวทังจิตตังสมาธิยติมุกวาโนวิปสีติสมหะการังกรติเป็นต้นก็หมายความว่าให้แพ่เมตตาจิตนั้นก็เพราะว่าเมตตานียมีอนิสงส์สิบอดปร ะ, ะการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เนี่ยไฟยาพิษไม่กล้ำกลายเนี่ยเป็นต้น แล้วเมตตาที่อบรมดีแล้วนะั้นมีอานิสงส์ยิ่งกว่ามหายันคือทานใหญ่ทั้งปวงก็หมายความบอกว่าการเจริญเมตตาการแผ่เมตตาจิตไปให้หมู่มวลมนุษย์หรือสัตว์ประสัตว์ทั้งปวงเป็นต้นเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่ามหายันทั้งหลายการถวายทานทั้งหลายไม่ถึงเสี้ยวที่สิบหกของเมตตาจิตที่อบรมดีแล้ว ถ้าบุคคลไม่มีจิตคิดประทุษร้ายมีใจเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งปวงเมื่อแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ทั้งมวลย่อมได้บุญมากแม้การแผ่เมตตาจิตไปยังสัตว์ตัวเดียวก็ยังเป็นบุญนะจะป่วยกก่าไปใหญ่กับการแผ่สัตว์แผ่เมตตาไปให้กับสัตว์ทั้งปวงเช่นถ้าหากว่าแผ่เมตตาไปให้คนคนเดียวยังบุญมากนะยังนับไม่ถ้วนอยู่แล้ว นี่ถ้าเราแผ่ไปให้สัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีประมาณนะบุญยะมากขนาดนั้น ก, ก็ตรัสบอกให้เทวดาทั้งหลายว่าจงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่มนุษย์เถิดนี่เป็นคำอธิบายในตอนแรกต่อไปก็คือว่า mm. พระพุทธเจ้าตรัสว่าทิวาจรารโตยารันติเยพริงตัสมาหินเนรคตาอัปมาตาก็บอกว่าหมู่มนุษย์เราใดทาพรีก ร, รมทั้งกลางวันและกลางคืน รู้จัคำพีกรรมพรี พ, รพรีกรรมก็คือการบูชาเนี่ยเองทำการบูชาทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษามนุษย์เหล่านั้นอัตถกถาท่านอธิบายบอกว่ามนุษย์เราใดเนี่ยสร้างรูปเทวดาด้วยการเขียนก็นดีด้วยการปั้นก็นดีเข้าไปยังเจดีย์และต้นไม้ก็ดีเออในประเทศไทยเราเนี่ย เรามีว่าพระสยามเทวาธิราชเข้าใจไหมนี่เขาเรียกบูชาพระสยามเทวาธิราชนี่คือบูชาเทวดานั่นเองเนขะ้าใจว่าแล้วก็ที่เราบูชากันตามบ้านเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเทวดาฉะนั้นเราบอกว่ามนุษย์เราใดเนี่ยสร้างรูปเทวดาด้วยการเขียนด้วยการปั้นเข้าไปยังเกียร์ดีและต้นไม้เป็นต้นก บ, บูชาเนี่ยนะ แล้วทำการพรีกรรมแกเทวดาในเวลากลางวันและอุทิตแกเทวดาทั้งหลายก็ดีบางกลุ่มก็ทำพรีกรรมในเวลากลางคืนก็ดใีในเวลาเดือนมืดก็ดีในสลากรพัดทำพรีกรรมในกลางวันก็ดีโดยการอุทิตบุญให้แกอารักษ์อารักษัดเทวดาทั้งหลายจนถึงเทพชั้นพรมก็ดีเช่นเวลาเราฟังทำกันแล้วก็อุทิตส่วนกุศล สวดมนต์ไหว้พระก็อุทิศกุศลกุศลให้กับเทพพญายดาทั้งหลายเป็นต้นหรือสรรพะศัพท์ทั้งหลายเป็นต้นสูงไปกว่านั้นถ้ามีการฟังธรรมตลอดคืนไม่เคยจัดกันดเท่านีวถ้าใครเนื้อจัดให้มีการฟังธรรมเป็นต้นตลอดคืนเคยจัดไหมมองไม่ไหวยัง ไ, ไม่เคยมีใครทําำ ยกฉัดและบูชาปทิบดอกไม้แล้วก็ทําพีกามบูทิสให้กับเทวดาแล้วก็มอบบุญให้ก็ดีเทวดาทั้งหลายจะไม่พึงรักษามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรฉะนั้นถ้าทําในลักษณะอย่างเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าเทวดาจะไม่รักษาแต่ทําหรือเปล่าถ้าทําแล้วไม่ต้องกลัวว่าเทวดาจะไม่รักษาถ้าทําแล้วเทวดาก็รักษา เพราะเหตุว่ามนุษย์ทั้งหลายได้ทำเพรีรกามูทิดแก่เทวดาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้เทวดาทั้งหลายก็รักษาคุ้มครองพวกมนุษย์เหล่านั้นกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกเสียนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ขอเทวดาทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทพุทธเจ้าบอกว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทคําเนี้คือว่าอะไรคําว่าไม่ประมาทเนี่ย จงละกายยทุจริตจเจริญหรือการทากายยสุดจริตลาวจีทุจริตแล้วก็จเจริญวจีสุจริตลามโนโทุจริตแล้วก็จเจริญมโนสุดจริตเป็นต้นอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ประมาทตั้งความกระตันยูไว้ในใจเออจงคิดกระตันยู ว, ว่าใครอุทิศบุญกุศลให้ท่านน่ะท่านต้องตอบแทนเขา เวตรงนี้เราก็เรียกอุทิศกันเยอะๆเนีเพราะเทวดาในยุคนั้นพเจ้าสอนไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นเราอุทิศให้กับเทวดาเทวดาก็ต้องระลึกถึงบุญคุณเราใช่ไหมกลับไปอุทิศทั้งวันเลยเนี่อุทิศบ่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเราไม่ใช่อุทิศเพื่อต้องการบุญคุณแต่ว่า เพราะว่าสองพันกว่าปีเนี่ยนะสองพันกว่าปีตอนที่พุทธเจ้าเดชเสด็จตับขันเทวนิพานธ์เนี่ยยังไม่ถึงวันหนึ่งของเทวดาเลยยังไม่ถึงวันหนึ่งของท่านเหล่านั้นเลยฉะนั้นชั้นทรงสูงนะถ้าหากว่าชั้นจารุมก็ห้าสิบปีเมืองมนุษย์ก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่ของเทวดา ด้าชั้นสูงๆเลยยังไม่ได้วันหนึ่งของเขาเลยอะ่ะฉะนั้นเขายังไม่ลืมยังไม่ลืมคำสอนหรอกนันรีบอุทิศเสียสำคัญไม่ยอมอุทิศนี่เทวดาวมองทีไยก็ไม่เห็นเลยเบนหน้าหนีเลยไม่ยอมอุทิศส่วนกุศลนี่ก็เทวดาไปเจอบางองค์นะสอนด้วยนะว่าเป็นพระเนี่ย สอนออกวิทยุบอกว่าการอุทิศ ส, ส่วนกุศลเนี่ยมีได้จำพวกเดียวเท่านั้นคะคือเปล่นอกนั้นอุทิศให้ไม่ได้แม้ไปพูดอย่างนี้นี้ก็เรียกว่าศึกษาไม่ดีศึกษาไม่ดีไม่อ่านไม่อ่านพระไตรปิฎกพู ด, พดขัดกับพระพุทธเจ้าพูดนี้ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้า บางวัดนี่อือะไรก็ไม่รู้เทศมากจริงๆแต่เอาแต่โดยมากก็พูดไปพูดมาก็มาไปเจอว่าไตรไปิฎกอยู่ฉบับย่อที่เขามาถวายนอ่านไปก็ต้องคอยแก้เลยแต่ก็ภูมิใจนะว่าเออเรารู้ว่านี่มันไม่ถูกก็เขียนเขาไว้เขียนบันทึกเขาไว้เขียนบันทึกเขาไว้อ่านไปถึงตรงไหนมันปิดแล้วก็บันทึกเขาไว้แล้วขีดบันทึกขีดก็ ใครมาอ่านเจอยุคหล่างๆถ้าเราไม่อยู่แล้วก็ถือว่าเราได้ปกป้องพระศาสนาแล้วก็เป็นบุญของเราฉะนั้นจงตั้งความกระตันยูไว้ในใจเราท่านทั้งหลายตรงนี้ไม่ใช่พุทธเจ้าสอนมาเทวดาอย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่มนุษย์ก็เหมือนกันนะว่าความกตันยูเนี่ยต้องตั้งไว้ในใจทุกคนถ้าเราได้รับการช่วยเหลือจากใครแล้วเนี่ยเราจะต้องมีกระตันยูคือการคิดลึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้น แล้วไม่ใช่มีกระตันยูอย่างเดียวเท่านั้นต้องมีกระตะเวทีคือการตอบแทนบุญ ค, คุณท่านตามการเวลานควรด้วยฉะนั้นใครที่จะเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือไม่จเจริญรุ่ ง, งเรืองเขาดูกันตรงเนี้ยว่าในใจของท่านเหล่านั้นอ่ะมีกระตันยูไหมตั้งไว้ในใจเป็นเนื้อนิดไหมและลึกถึงการกระทําดีของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีต่อตนเถิดอันนี้คือใจความในคาถานี้ถ้าสรุปก็คือว่า เมื่อมนุษย์ทั้งหลายกระทาความดีต่างๆแล้วอุทิศแก่เทวดาก็ดีกระทาพรีกรรมแก่เทวดาก็ดีควรที่เทวดาเหล่านั้นจะกระตันยูต่อมนุษย์ระลึกไว้เป็นนิดแล้วก็รักษามนุษย์เหล่านั้นให้เป็นสุขในเมื่อมนุษย์ได้ทําการอุปการะต่อเทวดาถึงเพียงนี้เมื่อพระผู้มีภาคเจ้าทรงยกสาเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายมีอุปการะแก่เทวดาอย่างนี้แล้วบัดนี้จะทรงแสดงสัตว์ประกอบสัจวาจานะ เพื่อการเข้าไปสงบอุปัตถวะอันตรายของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมด้วยการประกาศพุทธคุณจึงเริ่มคําว่ายังกินเิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเเคโวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังฆัตทตาคเตนะอีดัมบิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุบอกว่า ซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนาอันใดอันหนึ่งอันปา น, นีิในสวรรค์ซั์และรัตนาเหล่านั้นเสมอด้วยตถาคตไม่มีพุทธรัตนาแม้นี้เป็นรัตนาอันปานนิตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่สัตว์เหล่านี้ในสูตรนี้มีอธิบายว่าขึ้นชื่อว่าทรัพย์เนี่ยย่อมนําความปลื้มใจมาให้ ในบรรดาทรัพย์อันเป็นเครื่องปลื้มใจเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ในโลกอื่นมีเทวดามารพรมหมนาครุฑหรือรัตนะหรือแก้วมุกดาต่างๆเหล่านี้ทั้งในโลกมนุษย์นะนะเช่นมีทองเงินแก้วมุกดาแก้วมณีแกว้วใบตูนแกว้แกวปาการแก้วแดงแล้วก็แก้วลายเป็นต้นเนี่ยนะ ทรัพย์เครื่องเปรื่มใจของนาคและครุฑเป็นต้นที่บังเกิดแล้วในวิมานแก้วบนพื้นดินที่ดาราดาษไปด้วยทรายมุกดาและทรายแก้วในพบทั้งหลายซึ่งกว้างถึงร้อยยอดเป็นอนเนกมีทรัพย์และรัตนาเหล่านั้นที่เสมอด้วยแตถาคตย่อมไม่มีเออในพบของพวกนาคของพญานาคเนี่ยรัตนามีเยอะแก้วมุกดารัตนาะไะต่างๆเยอะจนมีอยู่พบหนึ่งนะ พระโพธิสัตว์เนี่ยสําคัญว่าในนาคกบิภพนี่เป็นสวรรค์เล ย, เยอธิษฐานไว้เกิดพอเกิดแล้วยังรู้ว่าเป็นอบา ย, ยสัตว์เป็นสัตว์เดราาัจฉานแต่มีบุญหน่อยกันหนึ่งคำว่าสวรรค์ที่พระพูธมีพระเจ้าตรัสไว้ในคาถาเนี่ยก็หมายความว่าอันปราณีตในสวรรค์เนี่ยคําว่าสวรรค์ที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยหมายถึงเทวโลกนะ เทวโลกชั้นไหนชั้นกามาวาจรแล้วรูปาวาจรอันนั้นชื่อว่าสวรรค์กามาวาจรก็คือจาตุ ม, มหาราชิกาตาวติงสาญามาดุสิตานิมมานร า, ารถีปรานิมิสวสวัสดีเนี่ยรูปาวาจรก็คือปฐมชาญภูมิสามทุติยชาญภูมิสามเป็นต้นอันนั้นชื่อว่าสวรรค์ฉะนั้นแต่บอกว่าตายแล้วไปเกิดสวรรค์ตายแล้วไปเกิดสวรรค์เนี่ยสวรสวรค์มีสิบหกชั้นในรูปบุพรม สวรรค์ในกามมาวจรอีกหกชั้นนี่เรียกว่าสวรรค์หมดแหละทีนี้เป็นสถานที่เลอเลิศด้วยดีและชื่อว่าสวรรค์เพราะเทพเหล่านั้นย่อมไปเกิดในที่นั้นด้วยกรรมอันงามคือกุศลกรรมเจตนากรรมที่ไปเกิดในสวรรค์ทั้งหลายนั้นต้องเป็นกรรมที่งามนะเป็นกรรมขาวไม่ใช่กรรมดา เช่นเจตนากรรมในการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเลยเนี่ยบุคคลที่ไปเกิดบนสวรรค์นั้นไปจากกายสุจิตวิญาณสุจริตและมโนสุจริตเนไม่ได้ไปด้วยทุจริตส่วนที่ชื่อว่ารัตนะเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีนั้นคำว่ารัตนะเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บแล้วยินดีเนี่ยเขาแปลว่ารัตนะคือเป็นสิ่งที่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นถ้าเราเห็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยยินดีนะ เเรียกรัตนะเห็นแล้วยินดีอีกประการหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลทำการบูชาเป็นสิ่งที่มีค่าด้วยช่างไม่ได้ด้วยเห็นได้ด้วยยากด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สัตว์ผู้ต่ำต้อยจะบริโภคได้อันนั้นเรียกว่ารัตนะ์สัตว์ที่ต่ำต้อยบริโภคหรือใช้สอยไม่ได้คนที่จะมีรัตน์ใช้เนี่ยแสดงว่าคนมีบุญหนะึ่งสัตว์ราัชานเนี่ย หารัตนาไม่ได้ไม่รู้จักรัตนาแต่คนก็ยังเอาลัตนาไปคล้องค อ, งอง ม, อมีมีอีกลายโอ้โหเล่นของหนักเลยคือสุนัขเขานี่มีเพชรมีอะไรคล้องราคาหลายสิบล้านเลยอันนี้สุนัขนี่ บางคนบอกแมพูดก็พูดห ย, ยาบๆอยากจะไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนี้อย่างก็ว่างนันนี่อันนี้ก็คิดมากไปจะบอกตูกเเ้าใจใส่ก็เลยอยากไปเกิดฮะตรงนี้เ็าบอกว่าคำว่าปราณีตเนีย่ย ได้แก่ประเสริฐสุดคือเป็นที่พอใจอย่างสูงสุดด้วยเหตุนั้นนะ่ะสิ่งใดซึ่งไม่มีเจ้าของอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายมีวิมานทั้งสําเร็จด้วยรัตนะทั้งปวงอันมีประมาณร้อยยอดเป็นอนเนกสุธรรมสภาเวชยันปราศาสตรเป็นต้นก็นดีสิ่งใดไม่มีเจ้าของอยู่ในวิมานว่างเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายพากันทําอบายภูมิไม่เต็มก็หมายความบอกว่า ในเวลาที่ว่างจากพระพุทธศาสนานี่ยนะเช่นคือเขาทําบุญไว้ก็เยอะอย่างเราท่านทั้งหลายทําบุญก็ไว้ใช่ไหมวิมานก็เกิดเกิดเกิดรอหมดแต่เจ้าตัวไม่ได้ไปเกิดแต่ไปแหนบายอย่างเงี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยเป็นวิมานล้างระวังไว้แล้วทุกวันก็มีนะคนสร้างบ้านไว้ทั้งหลายจังหวัดเนี่ยแต่ไม่ได้ไปอยู่ไม่รู้ให้ใครอยู่ก็ไม่รู้มีคนรักษาอยู่คนไม่รู้ใครมีบุญ เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งก็โอ้โหเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่การ<ส publication>งานมากก็มีคนคนคนใช้อยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้อยู่บ้านเลยวะกว่าจะมาถึงบ้านทีตีหนึ่งตีสองอ้าวพอสักตีห้าออกจากบ้านไปแล้ว ไอคนใช้อยู่บ้านเปิดแอร์เย็นสบายนั่งขากรวยห้างกรวยห้างเปิดตู้เย็นดูโทรทัศน์ไม่รู้ใครเสวยไอ้เจนี้นี่ก็พูดถึงคนขับรถนี่ว่าขับรถเบสเิคมีคนขับรถด้วยนะพอลงจากรถเบสเิ่งเจ้าของก็วิ่งงอกงอ ก, ง อ, กออกจากรถไปต้องไปติดต่อ ง, งานใช่ไหมคนขับรถก็สตาร์ทรถอยู่แอร์เย็นสบายนั่นลอ้อ เ้าก็เล่าให้เ่อว่าแล้วแล้วเวลาแล้วเวลาเขาหิวไอ้คนคนแ้วรถเ ข, เขหิวกาแฟหิวชาเย็นหิวอะไรก็ไปซื้อมานั่งกินเจ้าของกลับขึ้นมาบนรถมาถึงก็เนี่ยเองมันกินอย่างนี้เลยถึงจนอลไรก็ว่าอยังอบลมก็อีกเนย ยังอบลงค่อยก็เลยไม่รู้ใครจนเลยวันนี้ต้องกลับไปคิดกันใหม่เขาก็ฟังเฉยๆคนขับรถัก็ฟังเฉยๆแล้วก็ขับเลยพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายพากันทำอบายภูมิให้เต็มด้วยเป็นเวลาที่ว่างจาก พระพุทธศาสนาก็ว่าแม้สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นรัตนะที่ไม่มีเจ้าของซึ่งอยู่ที่พื้นดินมหาสมุทรและป่าหิมาานเป็นต้นสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นอันพระพู้เมีภาคเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วในคำว่ารัตนะก็รัตนะที่กล่าวมาทั้งหมดที่จะมีค่าเสมอโดยพุทธรัตนะคือพระพุทธเจ้าย่อมไม่มี ฉะนั้นรัตนาต่างๆที่กล่าวมาเหล่าเนี้ยพระพุทธเจ้าผู้พุทธรัตนาเนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งเหล่านั้นรัตนะเหล่านี้แม้นั้นที่ชื่อว่ารัตนาเพราะแต่ว่าอันบุคคลทําความเคารพเป็นต้นย่อมยังจักรรัตนะและมณีรัตนะของพระเจ้าจากักรพรรดิบังเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าใครๆจะถือเอาดอกไม้และของหอมเป็นต้นไปบูชายักษ์สถานย่อมไม่มี คนทั้งหลายย่อมเคารพ บ, บูชาจาักรรัตนามณีรัตนเท่านั้นแล้วก็ปรารถนาพรนั้นๆัน้นั้นก็สิ่งที่เขาปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วเนี่ยเนี่ยบางอย่างย่อมสำเร็จถึงกันนั้นรัตนแม่นั้นจะเสมอด้วยพุทธรัตนะก็หาไม่ได้ก็หากว่าที่ชื่อว่ารัตนเพราะอ้ถว่าบุคคลทําความเคารพแล้วพระตขาคตคือพระพุทธเจ้านี่เน ก็ชื่อว่ารัตนาได้พระพุทธเจ้านั้นเมื่ออุบัติเกิดขึ้นแล้วเทวดาและมนุษย์ผู้มีศักย์ใหญ่เราใดเราหนึ่งมีอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นหาได้ทำการบูชาในที่อื่นไม่ทั้งไม่ยอมบูชาสิ่งอื่นด้วยแต่บูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็บอกว่าเท้าสัมปดีพรมนั้นบูชาพระพุทธเจ้าด้วยพวงรัตนาเท่าไรภูเขาสนรุนี่เขาก็กล่าวว่าเทวดาเนี่ย บูชาพระเจ้าท่านเหล่านั้นเอาอะไรมาบูชาเอาดอกไม้นนะบูชาเท่ากับเขาิเนรุทรเทพเจ้าและมนุษย์เหล่าอื่นมีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าโคศนนาธาพินทิกาเศรษฐีเป็นต้นก็บูชาพระเจ้าคตตามกำลังพระเจ้าโศกมหาราชสาลาสราชทรัพย์เนี่ยนะถึงเก้าสิบหกโกรธสร้างวิหารแปดมืสี่พันแห่ง คนที่สร้างวัดมากที่สุดก็คือพระเจ้าโศกมหาราชฉะนั้นพระเจ้าโศกมหาราชแต่สร้างทั่วชมพูทวีปอุทิศถวายถวายพระพุทธเจ้าแม้เสด็จปรินิพานแล้วจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงชนเหล่าอื่นที่จะทำการบูชาตามกำลังของตนอีกประการหนึ่งก็คือว่าการบูชาการเคารพของพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพานแล้วย่อมบูชาเจาะจงสถานที่ประศูตย์บ้างสถานที่ตัสรูสถานที่แสดงธรรมจากสถานที่เสด็จดับขันธพระปรินิพานทั้งหลายล้อมทั้งปฏิมากรรมพุทธสถานและกระจดี JD เป็นต้นเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นพระกัสปะ